เข่าเผาผูุไทยให้ฟังก่อนอุท่าห o r n s ใตอนตอนหนนแมงไก่ต่างต่อมาเมื่อพันหน้านั่นและเจ้าคือหลวงปู่ผู้นำผ้าบรรพบุรุษดันดนมาจากเมืองเลี้ยงจันทรวงจากเมืองหลวงทั้งใสายไงเขาม้านอตังอยู่คือหลวงปู่ฝันภูนีตระกูลเจ้าสืบต่อมาเมื่อพันหน้านั่นและเจ้าเขตหินแดนผู้ไทยจากเดือนไก่เมืองเลี้ยงได้ผ่านมาหลายพ่อซอเลว แถวบ้านมงไข่กับเมนพร้อมบ้านบะห้องตังตระกูลยู่เดนภูไห้สืบต่อเนื่องขึ้นหลวงปูฝันสืบตระกูลสืบสานดินแดนอรรยธรรมเขาภูไทยจากลุ่นสูุุ่นจากลูกสู่หลานบอมเมนประวัติศาสตร์บอมเณรตำนานนี่เป็นสิ่งยากสืนได้หล่องรอยแห่งอารยธรรมบ่เคยลืม หรือวาลกเลื่อนได้จาลิกไหวในจิตวิญญาณแห่งจริยธรรมคววมดีงามของส้นปุ่มใหญ่ที่สืบต่อกันมาบ่มีวันลืมเลือนเพิ่นเอิ่นว่าผู้ไทยดังเส้นหลวงปูฝันอาจารโกท่านก็เป็นคนผู้ไทยขี่กันเป็นพระอริยสงฆ์ส่งธรรมแ ห, งห่งทองหงท์ธรรมบนเพลือเขาผู้ผ่านพระเดชพระคุณหลวงปูฝันอาจารโก เกิดในตระกูลสุวรณ น, นาลงเป็นตระกูลเจ้าเมืองพัฒ น, นานิคมงยอมมิดาของหันซื้อเจา้าไสยาคูมานซื้อเลรียญเมาง่มมัรดาซื้อเมนุยหลวงปู่เกิดที่บ้านมองไทยตำบลพัฒนาอําอเภอพัฒ น, นานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสิบส่ค่ำเดือนเก่าปีกุลตรงกับวันที่ยีสองสิงหาคม ข้2 4 4 2ท่านพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลเป็นบุตรคนที่หาในจํานวนพี่น้องรวมพิดาม่านดาแปดคนพี่น้องทุกคนในถึงแก่กรรมไปเบิดแล้วย่งเหลือหลูกหลานที่สืบสกุลต่อมาทอนันต์ด้วยเหตุที่ท่านพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลท่านสืบเสื้อสายคุณนั่นนงทั้งทั้งไฟพิดามานดาซึ่งอาจสิเป็นเหตุที่ทําให้พระอาจารย์ฟันว่า มีความเมตตาต่อประชาส้นทั่วไปมีความหลักศาสตร์บานเมืองและจงหลักพักดีต่อพระมหากษัตริย์เป็นอันมากในตอนวัยเด็กพร้อมตอนการศึกษาองค์ท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโลท่านเป็นผู้มีลักษณะดีมีความประพฤติเรียบร้อย และมีน้ำใจอบอ้อมอารีมาต่างแต่น่อยพร้อมทั้งมีค่วมขยันมันเพี้ยนอดทนนักเอาเบาสูซอยเหลือกิจการงานของพิดามานดาและญาติพี่นอ้องโดยโบเห็นแก่ข่วมลำบากจังเป็นทีละใัยของถุกคนด้านการศึกษาขันตนท่านพระอาจารย์ฝันเริ่มเรียนหนังสือทีวันผู้ไส่บานโมงไพยมีคู่หุ่นใส้ส้มผูเป็นผู้สอนให้ลังขูหุ่นในง่ายไป ท่านกระไดเลี่ยงกับกับอาจารย์ตันวุฒิสารท่านพระอาจารย์ฟันเป็นคนสอบเลี่ยนมีความขยันมั่นเพียรสามารถเขียนอ่านได้อย่างรวดเร็วควรเด็กคนอื่นๆนเวลาคู่เบอร์อยู่เพิ่นกระไดนับมอบหมายให้ถ้ำนาทีสอนมุงละเลี่ยนนกักการแพทย์หลังจากท่านหลวงปู่เลี่ยนเงินซื้อจบสามารถอ่านออกเขียนได้แตดสามเล้ว ท่านก็มีห่วมตั้งใจศิรลปราชการเพราะเป็นงานที่มีหนา้ามีตาได้รับความเข้ารบยำเกรยงจากข้นทั่วไปในครั้งนั้นท่านเดินทางไปอยู่กับพีเขยซึ่งรับราชการไม่ต่ำเน่งประหลัดหัวเม่องขอนเกนท่านหลวงปู่ฝันฝึกงานเป็นเซียนอัมเพอเพื่อลอการบรรจุเป็นราชการในส่วนที่อยู่ขอนเกน มีเหตุการณ์ที่ทำให้ ห, หลวงปู่รู้สึกสลดใ จ, ใจเกิดค่วมโมเนนอนเมื่อข้างราชการก็คือว่าพีเคยกับพีเสาใสให้ท่านหลวงปูห่หิวเป็นตัวอาหารไปทรงนักโทษการเมืองคือพญาณลง่งเจ้าเมืองขอนแก่นที่ต้องโทษขาค้นตายจังถือคุ่มขังพร้อมกับราชการคอนอื่นๆที่ต้องโทษหานทำข่วมผิด ต, ต่างๆตามกบินเมือง ต่อมานายเขียนฟงทีเคยกระเถือคําสั่งให้ไปเป็นปลัดหัวอำเภอจังหวัดเลยและกระเถือขอหาคดีฆ่า้นตายอีกคืนกัน ในางนั้นท่านพระอาจารย์ฝันอาจารย์โลได้เห็นเหตุการณ์วุ่นวายของคาราศการและบ้านเมืองเห็นการ ป, าปราบปามผู้ไล่มีการขาฟันนักโทษถือประหารสีวิตเจ้าเมืองไกลมาเป็นนักโทษแต่ที่เศร้าใจยิ่งคือเห็นท่านผู้มีการศึกษาดีมีความรู้สูงได้รับตำแหน่งแห่งการงานเป็นคาราชการสั้นผู้ลักผู้ใย มียดพาบรรดาศักสูงในวงรัศกรแต่เขาเรานั้นแทนทีสิเป็นบุคคลตัวยางนม่ข้างที่ดีให้แกรักสะดอนกับท้ำพิดด้วยการพึจะลิตและต้องโทษลายแรง้งและกะย่งสู้ข้อร้อยน่วนจับบ่อใดลยบ่อท่านกะย่งเห็นอยู่มี่หลายเรื่องงูนี่เป็นเตุให้ท่านได้ข้อคิดเกิดการสลดใจให้ท่านเบื่อในไข้คว่ยิ้ดี และควมโมเนนนของชีวิตในทางโลกทาังนั้นท่านพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลได้ตัดสินใจไปบอกล่าพีสาวพีเขยเพื่อกับบ้านคือบ้านเกิดของหลวงปูบอกว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วหากคุณพ่อคุณแม่อนุญาตกระสิตั้งใจบวชด้วยใจจริงแล้วพีเขยพีสาวก็บรอยากับเห็นว่าน้องใส คิดไปทาง่งบุญทัง่งกุศลนาอนุโมทานาท่านยิ่งพีทั่งสองกับบอขัดขวงท่านพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลจังเดินทั่งกลับบ้านด้วยการย่างออกจากจังหวัดเลยบุก ป, ป่าฟ้าโด่งกลับบ้านผ่านทั่งจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่อำเภอหนองหังนย่างเข้าอำเภอสว่างแดนอินจนกระทั่งหอดอำเภอพรนา น, านานิคม ถึงบานบะท่องโดยไซเวลาเดินทางร่วมซิบมือพ่อดีมาถึงบานของทันหลวงปู่เนี่ยมเห็นพอ่นอเมน้อมเข้าไปกราบเผาพอ่อเมพ้อมกับพักท้ายีนองทัวกันทุกคนทำให้คุณพอ่อคุณแม่นับตเตี่ยมเห็นหนาลูกไส้ยางมามีควาวมดีใจซุกใจเป็นที่สุดยากสีน้ำสิงใดมากเปียบใด ย่ามล้มโบยโบกฝ่าเดือระดาษสวยงามย่ามเมื่อล้มมาผัดมั่นหักเย็นสุกลำค่ำตำหนานยมอื่นบ้านสถานเนื่องมองเขยโยคือหลวงปูเฮาโพนี่หวังส่างตังแตบุญเพื่อนว่าบุญบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกมันบ่เหเกออกได้ขื่อไม่พากลางคือจังเฮากินเขา่าเฮากินเฮากะอิมมั่นบ่ไปอิมทองเขานั่นผู้บ่กิน ไพ่ภาคนาท่านจะต้องได้เข้าไปอยู่ในดงขมินตลอดสีเวตระหว่างนั้นท่านจะสร้างแต่คุณง่ามค่วมดีอันประเสริฐเลิศลำคาสิเป็นผู้บริสุทธิ์ผองใสปะส่าส้นุกสั่นตั้งแต่สูงสุดต่ำสุดทุกเสื่อศาสตร์ศาสนาที่ได้ฟังท้ามเทศนาของท่นสีบังเกิดค่วมเหลื่อมใสต่อหันหลวงคูและลดพระที่ท่านเทศนาเปิดอันมาก นี่เป็นคัมภยาก่อนจากคุน ญ, ญาของท่านหลวงปู่ฝันอาจาโโกที่เคยทำหนไหว้และบัตหนีสีเหลืองของสมุนไพรขิมินเริ่มถอดยอดไปออกเนื้อแผ่นดินกินของขิมินดงนี่ได้ทรงกินหอมละล่วยไปทัวหน่วยเนื้อของศิลธรรมได้เกิดขึ้นแล้วเกิดมาพร้อมกับค่วมเป็นมงคลแห่งพระอริยะบุคคล บนหุบเขาและท้องหงหน้าสีเขียวของส้นเผาผู้ไทยพ่อศสองพันสี่อยหสเอ็ดปีมาเมีายังค่วมปรับปลื้มใจให้แกโยมบิดามันดาและญาติพี่น้องเป็นยางยิ่งเมื่อนุ่มฟันอายุได้สิบเก้าปีบิดามันดาได้อนุญาตให้ท่านบวชเป็นสัมเน็นบวชเลียนเขียนอานกับท่านพระครูสกลสมานกิจ หรือท่านอัญญาคู่ธรรมทีวัดพคนห่องบ้านบะท่องบ้านเกิดของหลวงปู่นั่นเอง แสงโสมสัตซองจากดวงที่นกร่อนแผ่กระจายเป็นแสงสีเงินสีทองปกอุ้มเหนือหยอดของตนเผาสีเขียวสุ่มบริเวียนใส้ทงไก่ไก่มูบาลมูวิหกนกกาก็ะเริ่มออกจากทัางทรงเสียงหลงเวยงาวีาวาวมากเป็นระยะระยะล่มลุงอรุณพัดยิวทิ้วสวยถือเป็นเนมิตแหงง่งเสามือใหม่ แน่มเห็นส้าวบ้านได้ยืนเยี่ยงไร่ล่อเตรียมหาใสบาทในทุกทุกมือง่ามตอนเศรกินหอมของเทาเหนียวสุกได้ทรงกินหอมคุ้งพะจรไก่ไปทั่วบริเวณอันอดที่จะนอมล่ำนึกถึงพุทธพุทธทของพระพุทธองค์เคยตัดว่าไทยพุทุกญาคอนเจ็บปวดท่อลมานมั่นน่ำมาคือผลกรรมที่สร้าาางทํเอว หากหนี้ใจใสเหลือ่อมปมีเจ็บไข้ป่วยนี่เราบุญมาแลนช่วยให้เฮาใดแมนอยู่ดีเพิ่นว่าบุญบุญหนี่มั่นเห็นอยู่กับตาบุญนั่ผ้าเฮ้าสุขอยู่สบายไกลเหนือบุญนั่เฟื่อนั่มช่วยให้ค่วมซ้วยมีออกห่างบุญเฮ้าใดก่อสร้างเอาไว้ตั้งแต่ น, นั่นส่วนบาปกรรมนั่นละท่านก็เห็นอยู่กับตาพ่อละมั่นจิตใจหนี้ละโตกับแพศ กำบอแบาคือเจ็บไข่ท่อละมานเป็นป่วยนี่ละโตบาภไยที่เฮาได้พบเห็นขั้นผู้ใดยอยากเว้นให้สร้างแต่ค่วมดีค่วมโซกีขว่วมถุกสิโมมี่มาไก่มาสร้างบุญเอาไว้นั่มกันเดอร์พ่อแม่บุญสินั่มซอยแก่ให้เฮ่าได้ม่นอยู่ดีเบิงก่อนพิสุทังไหล สิ่งสี่ลีเริ่มของดวงอาทิตย์เมื่อสีอุทยัยคือแสงสีเงินสีทองที่ลำเล่สันได้ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เริ่มต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือการฝึกจิตให้ดีสันนันคือกันภิกษุทั้งหลายผู้ใดทําความดีในตอนเศร่เลิกจะพึ่งดีในตอนเศร่ผู้ใดทําความดีในเวลากลางเวน่น เลิกจะพึ่งดีในเวลากลางเวน่นผู้ใดท้ำคว่ำดีในเวลาเย็นเลิกจะพึ่งดีในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายบุคคลดใดท้ำคว่ำ ด, ดีในเวลาใด ๆ, ใๆเลิกจะดีในเวลานั้นๆพระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระภูมิพระภ า, พาได้ปฏิบัติซึ่งพอวัดโคจรออกจากป่าบินทบ า, ทโาดโอดญาตย่อมกินของดอกไม้ป่า ได้ขะพุงไปด้วยยศนำคางได้ติดไส้จีวอนเริ่มตองล่มทรงกินติดตามมาเป็นระยะระยะแพร่กระจายกินหอมอบกวนไปทัว่วกินนี่ถือปินกินของศิลธรรมดังดํารัสขององค์พระบรมศาสด า, ศ า, ศาได้ตัดไว้ว่าเบื่องก่อนิกสุทังหลายกินดอกไม้กินจันทร์บอสามารถหอมหวนท่วนล่มใด แต่กินแห่งศิลธรรมค้วมดีงามของสัตบุรุษนั่นแลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามล้มและทวนลมคนดีย่อมหนี้เกียรติคุณฟุ้งทจรไปทัวทุกทิดกินจันแดงกินอุบลกินดอกมะลิจัดว่าเป็นดอกไม่กินหอมแต่ยังโบสูกินศิลธรรมใดกินศิลธรรมยอดเยี่ยมพัวกินพังนวล สิ้นนั่นก็ได้บังเกิดผลแ ล, ว ล, แล้วเกิดผลต่อจิตใจของพระภิกษุหนุม่มฝันอจาจโลกเมื่อถึงปีมาแม่พุทธศักราช2 4ง2สีม่ำมเนียนฝันสุวรณรณนาลงอายุครบย4บริบูรณ์โดยบิดามารดาพ้อมด้วยญาติพี่น้องกระตะเตรียมอัถบริขานเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุณพระอุโบสถวัดสิทธิบังคม บ้า น, านให้ตำบลไลยอำเภอพันานิคมสกลนครสัง ก, กัดคณะมหานิกายโดยมีพระคู่ปองนอนทเสียนเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากอุปสมบทแล้วพระภิกษุฝันอาจารโรกับพักจำพัฒษ า, ายอยู่กับพระอุปัชฌาย์ที่วัดสิทธิบังคมให้หลังออกพังษาแล้วพระภิกษุฝันมันในลาพระอุปัชฌาย์ไปพักนักอยู่กับ ท่านพระอัญญาคู่ธรรมเจ้าอาวาสวัดโพนท่องบ้านบัดท่องเมื่อพระภิกษุฝันได้ได้ปสมบทแล้วได้ศึกษาและปฏิบัติอยู่กับท่านอัญญาคู่ธรรมเป็นเวลาสองปีขั้งถึงเดือนสามขางขึ้นปีพุทธศักราชสอง3ท่านพระอาจารย์มันผ okay. so ู้ลิทตะมหาเทระพร้อมโดยพระภิกษุสัมาเนี่ยนหลายหลว ออกเทียววิเวกเดินทุดงจนมาถึงบ้านมวงไคอำเภอพนันานิคมได้เข้าไปพั ก, พกปักปดอยู่ในปา่สาสะอันเป็นปา่สาสะบ้านมวงไคซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าพุทธิสามัคคีเมืออ่อญาติโยมเศร้าบ้านมวงไคทราบวา่ามีพัทธุดงมาพักปักปกดในปา่สาสะข่างนอกบ้านก็เลยท่ากันดีใจเป็นอันมาก เพราะทุกคนก็อยากเก็นพระพุธงคจังได้กระจายข่าวบอกให้รู้ทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วขณะไายหญิงทั้งเด็กหน่อยปูใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พากันออกตอนรับซอยปัดกวดที่พักปัดกดและท้างเดินจงกลมตลอดถึงจัดท้านำดื่มใส่ถวายเมื่อถึงเวลาพระอาจารย์มันจะอบร่มญาติโยม ในท่าการนั่งด้วยการสงบเรียบร้อยค่อยฟังคำอบรมจากท่านพระอาจารย์มันสำนับพระภิกษุทั่วไปรวมฟังด้วยในข้าว น, นันมีพระอั ญ, ญาคูด่ดีพระอ า, รอาจารย์ฟันอาจารโยพระอาจารย์ภูธรรมทิโน ในปีพศ2466หลวงปู่ฝันอาจาโลท่านได้จำพรรษาอยู่วัดโพไซบ้านมงไคตำบลพัฒ น, นาอำเภอพัฒ น, นานิคมจังหวัดสกลนครจึงได้เข้าศึกษาวิธีฝึกจิตภาวนาเบื้องตนกับหลวงปู่ดุ่นตลอดพรรษาพร้อมกับพระเน่นอีกหลายองค์ทุกท่านพร้อมน้อมจิตตั้งใจ ดำเนื่อตามปฏิปทาของพระอาจารย์มันพุริทัตโตโดยบบไดขาด ต, ตกบกพองธนะสัตธาญาโยมตางในสาบเขาอันเป็นมงคลเสียงลำลือไปไกลวามีพระดีซึ่งเป็นพระผุ้ดงม่าปวดเศ้าบานทั้งหมู่บ้านไก่เชียงได้มากกราบนมัสการฟังเทศฟังธรรมและฝึกปฏิบัติกรร ม, มฐานกับหลวงปูดุล ธรรมเหศนาของหลวงปู่ดุลที่ได้แสดงนาทีต่างๆไพ่ในธรรมสาท่านหลวงปู่ฝันได้นับฟังคืออัญยสัจแห่งจิตโดยสรุปด้วยถอยค่ำของหลวงปู่ฝันเพราว่าจิตที่ทรงออกนอกเพื่อรับสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ทรงออกนอกแล้ววันไหวเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตย่างแจ่มแจ่งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตย่างแจ่มแจ่งเป็นนิโรธท่านหลวงปู่ฝันอาจารโนได้ยูศึกษากับพระอาจารย์มันเป็นเวลาสามมือได้อุบายวิธีการภาวนาจากพระอาจารย์มันสนิทย่างจุใจเต็มอัตตาแล้วท่านหลวงปู่ฝันจังได้ล่าพระอาจารย์มันไปกราบนมัสการพระอาจารย์เสา ซึ่งท่านได้พักทําความเพียรภาวนาโยธีปาไก่บ้านน้องดินดําไก่บ้านตานโลโพนในระหว่างท่านอยู่กับพระอาจารย์เสกับท่านพระอาจารย์มันพระอาจารย์มันได้สอนสี่วิธีทางปฏิบัติย่างถึงจิตถึงใจให้เป็นผู้ตั้งใจทําความเพียรแร่งกาเด็ดเดียวไปนําพังองค์เดียวเที่ยววิเวกอย่าได้คุกขี่ให้ยินดีต่อความสงบ นี่คือคำาสอนของพระอาจารย์มันพู้ลิทัตโตด้วยเหตุนี้ค่วมมั่นใจในการดำเนินชีวิตแบบพระผู้ดองกรรมฐานของหลวงปู่ฟันจังมันคงยิ่งขึนและบ่อแปรเปลี่ยนเมื่อได้จังวะเหมาะหลวงปู่ฟันกะกาบเลี้ยนพระอาจารย์มันถึงคววมประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนยัติเป็นพระธรรมยุตธ์หลวงปู่มันได้หูจิตใจศรัทธาเหลื่อมใส ข อ, องลกูกศิษย์เป็นยางดีจังตกล่งหลับท่านที่พร้อมได้จัดการให้หลวงปู่ฝันจัดเตรียมบริขารสำหรับการบวชใหม่และฟึกซ่อมข้านหนากจนคลองแ่วบ่มีอิดขัดเกิ้อเขินจังเด้นํ่มหลวงปู่ฝันไปบวชยติเป็นพระธรรมยุตธ์ณวัดพภธที่สมพรจังวัดอุดรธานีเมื่อวันทีย่สิพฤษาคมพ่อโสส เวลาสิบหานาฬิกายี่สบสองนาทีโดยมีท่านเจ้าคุ้นพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นปิปัสซาพระอาจารย์ลดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ก่อนหน้านั้นในเดือนมกราคมพศออ2467มารับการยติเป็นธรรมยุตธสององค์ คือหลวงปู่อุน่นเยี่ยมแสิลิพระอาจารย์อุ่นนอกนี่กัมี่พระอาจารย์กวาซุมาโนน้องไส้พระอาจารย์ปูธรรมทินโนเข้าพิธีอุปสมบทในคณะพระธรรมยุทหลังจากหลวงปู่ฟันอาจารย์โลเขายติมาบดลระวางทัานสา ใจเทียงมั่นขั้นเห็ดหยังกะหักแมนใจเทียงแพ่บ่มีแพ่หักแมนเห็นกำลือเว้นน้ำหอยขอน้ำห้อยพุทธบาทบ่เค่อยขัดต่อห่องพุทโอเจ้าได้สั่งสอนท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโลได้เดินทางไปจำพรรษากับพระอาจารย์มันพุริทัตโต ที่วัดอาลันว่าสีอําเภอทาบอจังหวัดหนองคายนับเป็นเพื่นสาเหลกของคณะธรรมยุทธ์โดยมีสหธรรมิกได้ร่วมจำท่านสากับทันในครั้งนั้นคือพระอาจารย์ภูธรรมพินโนพระอาจารย์อ่อนยันเนสิลิพระอาจารย์สารพระอาจารย์กวาซุมาโนและพระภิกษุสัมมาเนียรอีกสิบหลูกในระหว่างจำท่านานั้น ท่านอายุได้ยี่สิหกปีได้อาภาร์เป็นไขมาละเลี่ยตลอดภรงษาแต่ท่านกระบอกเพื่อละซึ่งนาทีค่อยปฏิบัติย่างบได้ขาดถึงสี่มีผู้มาณิม่นให้ ย, ยุดท่านกระบอกง้อมยุดกระทำโตคือโบไขโดยท่านใส่พลังจิตเข้าต่อสู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นจนได้อุบายวิธีทำให้ท่านสามารถพิกความป่วยไข มาเป็นถ้ำอริยสัจข้นใดจนหลวงปู่มันถึงกับออกปากส้มว่าท่านฟันใดกำลังใจดีมากในพรรณานีนี่แหละพ่นวาท่ำคว่มดีไว้มั่นหักบอ่อเสียหายยาเสียดายของท่านหักสิเห็นไพนะาขั้นเม่นท่านเสือผาเงื่องสิเห็นเท น, นุง คือจังบุญหลวงปูเฮ้าคูนีเห็นเสือแล้วยั่งเพนนีโบดีตีโบดีขาโบดีเออย่างว่าจานี่คือบุญน้ำผ้าหากผลายั่งกวงเสือหรือกวงในดงไม่ในผู้เขาหุกหญ่ขั้นหลวงปูได้ไปออกผู้ดงอยู่ในเขาป่าไม่เห็นแล้วหากแม่นเย็นในปีพศ2468หลังออกพ่านสาแหล หลวงปู่ได้ไปเที่ยวแวะพักที่วัดขาสัตว์ปัจจุบันคือวัดพาลังบันพดอำเภอสีเสียงใหม่จังหวัดหนองคายอยู่ใกล้ฟังไม่นำโงงท่านพระอาจารย์ฟันได้พักอยู่หนีหลายมือแล้วเดินทางขึ้นไปเหนือเลืยไปพักอยู่บริเวณหินหมากเป่งอยู่อีกระยะหนึ่งออกจากหินหมากเป่งเดินทางกลับไปพบพระอาจารย์ปูและพระอาจารย์อ่อน ที่วัดพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านคือจังหวัดอุดรธานีตามที่นัดเนตกันใบกอนแยกข้างกันท่านพระอาจารย์ฟันอาจาโลกเดินทางมาหอดบ้านพักบุงซึ่งอยู่เซิ่งเขาพระพุทธบาทบัวบกได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์ได้ออกเดินธุดงไปทางบ้านพ่อซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านพือคือกัน ท่านพระอาจารย์ฟันได้ปักพดพักยูที่บ้านพักบุ่งหามือโดยหาสถานที่สงบสงันต์ปักพดความเพี้ยนอยูตามผู้เขาลูกนั่นระวางพักยูในสถานที่นั่นเองได้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอย่างบ า, าดฝันคือเมื่อท่านล้มปูฝันยางขึ้นไปเที่ยงผู้เขาเพื่อหาสถานที่ภาวนาระว่างเดือดห้างพัน ท่านหึงกับสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงเสียงของเสือกำลังตะคุบดินอยู่ข่างทางด่านสายมือด้วยสานัญสานึกบอกท่านว่าจะต้องเป็นเสียงสัตโตงย์สัตโตนันอยู่ไกลท่านสีวายูสิตโตหลวงปู่กวาได้ท่านที่นั่นเองเจ้าของเสียงกบโผลหัวถมาพ่นกอหญ้าอันหกไหล นี่ก็เป็นเสืออีลีเสือโคงไล่ผาดก่วนเห็นแค่หัวกระหุววาโมเมนโตัวน่อยเป็นเสือขนาดใหญ่ตัวหนึง่ง<ม>เมื่อเจอเสือประจันนาโดยบกขาดคิดหลวงปูฝันรู้ตัวว่าถ้าท่านหันหลังหนีจะต้องเส็มั่นยางแน่นอนจะต้องถือเสือตะคุบโตเป็นแน่แท้ท่านหลวงปูฝันจังยืนนิ่งสองสามอึดใจ มันก็ห้องเสียงคำล่ามลันปาแล้วกระโจนหายเข้าไปในป่าบรรดาพระเนี่นที่อยู่ข่างลางได้ยินเสียงเสือคำล่ามย่างเพิดสังเกตจังผากันแลนีนขืนเขามากพร้อมกับเสียงห้องหาหลวงปู่ย่างตกใ จ, จเมื่อสาบเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นแล้ ว, ลวทุกองค์กรโลซึ่โล่งใจไปตามๆกัน คังควมคิดหนีมีม้าหลายอย่างคือจังคิดอยากสั่งบุญยอดต่อไปค่วมคิดหนีมีม้าหลายแบบขั้นมีฝนอยากให้แดดจนบินแหงงไงผงค่วมคิดหนีมีม้าหลายแนวอยากให้แอลโต้หน่อยค่วมกินนั่นผัดแหงไหลข่วมอายนีมีม้าหลายอย่างอายตัวเองคลองพัง บัดพายางต่วมตามคือสิล ม, ลมอยู่ภูย<ม>่มแท้แล้วคือหลวงปู่สอนขนยานผีให้ภาวนาในหมู่บ้านน้องกองอำเภอบ้านคือจังหวั ด, ดพุทธนี่ในบ้านนั้นมีผู้หญิงไห้กลางคน้นคนหนึ่งซื่อว่านั่งค่ำผู้แต่ก็มีความเหลื่มใสในหันหลวงปู่ฟันได้ออกไปถ้ำบุญและฟังค่ำเป็นประจาหลวงปู่ก็ได้สอนทุกมือ แต่กะมีนิใสติตโตคือย่านผีไหลเวล่ามืดถ้าได้ยื่นเสียงอีหยังกระสิบเกิดตื่นย่านย่านผีหลอกท่านหลวงปูฝั น, นก็นเลื่ยบอกสอนไห้ภาวนาเพิ่นกะยั่งบอกกะมีแต่ย่านมีแต่คิดว่าถ่านนางไ ป, ไปเกิดเห็นผีขึ้นมาเดี๋ยวสิเป็นบ้าตายท่านหลวงปูสอนทอดายกะบป้มีฟัง ท่านหลวงปู่ก็บอกอยู่เรื่อยๆอยู่มาามือหนึ่งเพิ่นจังได้ตัดสินใจนางภาวนาเบิงเพิ่นก็มีค่วมตังใจนางได้โดนเติบเวลาออกมากับมีคววมสบายใจเบาเนื้อเบาโตนี่แหละเพิ่นว่าย่าหนีค่วมพยายามคววมพยายามอยู่ใส่ว่วมสำเร็จอยู่หันท่านหลวงปู่ฝันมีค่วมเมตตา ให้แม่ยูสั่งสอนอนุเพระหอขวักเเขาส่วนให้ไหวยภาวน่าทุกมือตั้งจิตตั้งใจภาวน่าสวดมนต์ไหวพักแผ่เมตตาท่านหลวงปู่ฝันอาจารโลได้ทุ่ดงกลับมาทาั่งบ้านเกิดย่งางออกจากอำเภออำนาจเจริญจากอุบลาัดสถานีย่งางมาทาั่งอำเภอดพนมอำเภอหน้าเก่จังหวัดนครพนม ยางมาหอดโตจังหวัดสกลนครพ่อมาหอดวัดพระธาตสเซิงซุ่มในเมืองสกลนครกะเห็นรถย่อมโดยสารเขาท่านหลวงปู่กะห้คขว่มสนใจหลตั้งแต่เกิดขึ้นมาย่างบ้เคยนยั่งรถย่อมจือเท่อท่านหลวงปู่คิดแต่กะเป็นคว่มจริงพ่อรถย่อมโดยสารสี่ออกท่านหลวงปู่กะเลยขึ้นไปนั่งพ่อรถแลนออกไปใดโบไก ท่านหลวงปู่เกิดคุ่มสงสัยลดนุ่นเรียนใดจังไดท่านหลวงปู่กะเลยได้กําหนดจิตภาวนาเบิง่งจนกระทั่งเขาไปหอดเครื่องท่านที่นั่นเครื่องนุ่นก็เลยดับลดนุ่นจอดคนขับรถล่อลงไปเบิง่งแําเครื่องกะบ่เห็นยังพ้นขับรถขืนมาติดเครื่องเครื่องกะติดปกติแล้วรถก็ออกแลียนมากเรื่อยพ่อลดแลียนมากหน่อยหนึ่ง มาหอดปมทหารกระคือที่ตั้งกองทัพภาคที่สองหลวงปู่ก็ได้กําหนดจิตอีกลดกระเครื่องดับคือเกา่าเป็นเถื่อที่สองข้นขับรถ ล, ลงไปเบิงเครื่องกะระโวยเป็นยังกับมาสตาร์เครื่องใหม่กระติดเลีนไปท่านหลวงปู่ได้กําหนดจิตถึงสามเถื่อกระดับทั้งสามเถื่อแต่ท่านหลวงปู่ก็คิดเสียใจ ต้องเฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียเวลานี่เปลียนเพาะขวอมอยากหูอยากเห็นลดแลรงมาหอดบานมองไข่ท่านหลวงปู่กะโล่งย่างลัดทงคำห้วยปูนไปบ้านบ้าห้องพักโยปราศาส์ทัง้งทิศตะวันตกข่างวัดข้นห้ อ, องสูมเอี่นีที่พักของท่านหลวงปู่ก็คือวัดป่าอุดมสมพร น, นั่นเองแต่หลวงปู่ได้มาพักตอนนั้น คือมาเทศนาปวดญยาโยม่มพ่อสมควรแล้วกระออกธุดงต่อไปตอนที่ท่านหลวงปู่ฝันอาจารย์โล่ได้มาพักอยู่วัดบวบว น, นิวัดรุงเหพบมือหนึง่งพระอาจารย์สิงในผ้าหลวงปู่ไปฟังเทศท่านจาคุนปัญญาพิสารเถระหรือว่าซื่อเล่นอาจารย์หนูที่วัดปทุมวันหน้าล่ามเขตปทุมวัมฑ อยู่ในระหว่างเดินทางไป พ, พ่อผู้ยิงคนหนึ่งงานสวนทางมากโบหูวายูใสซื่อเสียงหรืออยากตะกวลเพินหลวงปู่กับโหูเพียงแต่พ่อนาเทานั้นท่านหลวงปู่รู้ซึกหักแทงคือคนเคยแท่งกันมา ก, ก่อนว่างโบล่งป่งบบตกคิดหลายเถื่อหลายที่กับโบได้ผลอุบายสติปัญญาสมถะวิปัสสนา ที่ท่านเคยอบล้มฝึกฝนมาอย่างโศกสนจนพ่อตัวสิ่งเหล่านั้นกระจักหายไปใส่เบิดตแต่ท่านหลวงปู่กร็รู้ซึกโตมาตลอดเจ้าคววมหักไข่บอดายเลือกการสถานทีจนล่วยเลี้ยวลายแต่ยังไหลมั่นคมเหงหัวใจของสัตว์ทั้งหลายสีบอเลือกนาทุกๆกสันแต่จากนั้นก็ยังอยากสีลืมเลือนไปใด ได้หลงตกลงในนรกขุ้มนำเสียบนำเข้มท่านหลวงปู่ก็เลยถามท่นานพระอาจารย์สิงห์ให้ค่ำแนะนำก็เล่ยได้สมาธิอยู่เจ็ดมือเต็มเต็ ม, ตมกัพ่อตอนนางนันก็หูเลยว่ายิ่งคนนั้นเป็นไผนี่ก็เคยคล้องหักค้องเลื่อนมากแต่ศาสต์ปางกอนแบบนี้เองเป็นบุพเพสนิวาตจังเกิดความหักมีอารมณ์ ม, มากกระทบจิตใจ ตอนนั้นทันหลวงปู่ก็เลยทำไล่เกาะของเจ้าอวิษณาด้วยอาวุธสามวิถีคือสัตตยานวิถีปะนาวุฒิกิตยานวิถีปนาวุฒและกัตยานวิถีปะนาวุฒเจ้าสิบไม่มีโอกาสพ่อกันอีกแล้วการพบกันเทือนี้เป็นเทือสุดท้ายเจ้าสังขารเอ๋ยเจ้าจงไปอยู่ย่างผู้สินเหตุปัดใจเถิดในที่สุดทันหลวงปู่ก็สามา อาสนะข่วมหูศึกนึกคิดที่จิบปรุงแต่งอันเนื่องมาจากการพบเนื้อคู่ในอดีตศาสตร์ปางก่อนนี่แหละพันวาจังว่าคนเฮาหนี่มีคนดีค้นซัวบางคนหวังแต่ใดเสียนั้นไข่อยบเอาบางคนน่ามีแต่เวบาปากกิ่งเกินค้นง้อแต่ตนท่างเดียวว่ามันดีเกินเพื่อนมีแต่เตือนคนใดโบข่ำดูเบิ่งกะงอน สอนให้คุ้นเห็ดใดแต่ตัวนันหอดบ่อทำพี่นองเอ้ยเดึก ม, มาพ่อล่าตีคอนล่มมาตีใบไผยเสียงเล่ไล่อินออยนา้าห ย, ย่อยทัวทะลังเดึก ม, มาพ่อดาวดัดดังนำหมอกหัวทะลังสีโลกกี่นี่แววว่เปียบดังดาอยู่ท่งฟ้า อุ ป, ปมาคือตัวทันสังขาร น, นอหักบายเบียงเกิดโรคไข้ไขรเขาท่นกัวเวทนาในสมัยทันหลวงปูฝันอาจารโลเวเย่ยมทันหลวงปูอ่อนอยู่วัดบ้านน้องบัวอำเภอศรีขิวจังหวัดนครราชสีมาก็คือโคลาดนั่นเองเกิดเป็นไขรมาลลเรียขืนมาอีกทันได้รับค่วมถูกเวทนาหลหลวงปูได้นั่งพิจรารณา เดียวหายเดียวเป็นวนเวียนอยู่หลายมือเลยตัดสินใจกาเปลี่ยนทันหลวงปูออนวาเมื่อนี่ผมสีนางภาวนาไหไตไปเลยเกิดความเบื่อานไหลนั่งอยู่จนพบเจ็ดมืออาการไขของหลวงปูก็เล่ยหายก็ย้อน่าทันนั่งสมาธิ ต, ตอนนั่งสมาธินั่นกับนี่นิมิตปากกดให้เห็นสิเป็นนยังกะโบโหกระโดดออกจากร่างกายของทันหลวงปูฟัน แล้วท่านได้กำหนดจิตเบิงเป็นกวงแล้วกระโดดล่งไปในลำห้วยไปขึ้นอีกฟังหนึ่งแล้วไก่เป็นสร้างโตใหญ่ยางบุปาเสียงดังโคมข้ามแล้วกระหายลับไปในตอนหลวงปูนางภาวนาอยู่กะคิดไปเรื่อยๆคือสิงที่กระโดดออกจากล่างท่านนั้นกะสิเป็นตัวที่ทําไห้หลวงปูเป็นไข่มาลเลเรีย จากมือนันมาทันหลวงปู่ก็หายไข่ทันทีออกคำสาทันหลวงปู่ฝันปราชญ์โลกก็ได้กับล่าทาันหลวงปู่อ่อนไปทุ่ดงดงพะยญาเ ย, ยิ่งพี่น้องเอ๋ยปีพ่อส่อสองสเจ็เจ็บลวงเขา่าหลวงปู่เฮ้าพนาานันไดย่างออกทุ่ดงเข่าปลาใหม่ได้ล่ากาบปู่อ่อนเฮ้า ออกท่านสาล่าพระเจ้ายางาเข่าปลาดงพายหนาเย็นแามกลางเว้นโบมีหยั่งหากสบายเห็นแจง้งแง้มมือแหลงโบมี่เวียนได้แนมเห็นผีกองก่อยตัวของมั่นหากเม่นหน่อยนาแหลมจ่อยคอเล็บมือถ้าแม่นไผ่คืนดืน่มแง้มกลางขึ้นมั่นอลวาดคัดสินหาแท้โบได้เวียนมีแต่กิ่นแท้แล้วท่านหลวงปู่ฝันอาจารย์โน หลังออกพรรษาที่สิบในปีพศ2477ได้เดินทุดดงไปทา่งดงพญาย็นมีพาภิกษุไปนั่งกันสามองค์สามเณรองค์หนึ่งท่านหลวงปูฟันมุงนาจนถึงดงพญาย็นรย่างไปเรื่อยๆจากน้อยหนึ่งท่านก็รู้ซึกสังหอนใจว่ากำลังสิมีอีหยังเกิดขึ้นเพราะย่างอยู่ดีๆก็รู้ซึกใจเต็นแห้งจนพิษสังเกต ย่งางไปอีกจักหน่อยก็เป็นอีกท่านที่หลวงปูกะเนี่ยเห็นเสือตัวหนึ่งนอนหันหลังให้ยู่ใกล้ตัวหลวงปูสิลบหนีกับโบท่านหันหลังให้กัสิถึกเสือกินท่านหลวงปูก็เลยได้สมม้วมจิตอย่างรวดเร็วแล้วท่านก็ย่างไก่เข้าไปอีกก็เลยหองถามว่านั่นเสือบ่หึเสือก็ยกหัวขึ้น แนมน้ำเสียงหลวงภูเสือกระโดดหนียางเร็วแล้วทันหลวงภูกระยางตัวจนหอดกลางขึ้นท่านหลวงภูก็ได้ปรากฏดพอเสือแามกลางเว้นแงมกลางขึ้นผัดแม่นผีกองกอยแท่นทีผีกองกอยธรรมดามั่นสิไปตามทางของมันแต่ม่าพิดเด็กน่อยพูนุ่งติด ต, ตามหลวงภูไปนั่มเด็กน้อยพูนั้นใดละเมิดคำสั่งของหลวงภู มาจีจับตักกระแตนกระปองพวกแหน่เอามาจีกินก็เลยขาดการสํารวมศินผีกองกอยก็เลยใดมาว่นอยู่ที่พักหลวงปูฟันท่านพิษสังเกตเป็นยังผีกองกอยจังไดมาว่นอยู่นี้น่งสมาธิเบิงหูว่าเด็กหน่อยคนนั่นสินขาดจังใดเอืน่นพระเนีนมาร่วมกันกลางเดิ้ลจุดโคมเทียนติดใบหลอก แล้วนางล้อมเด็กหนอยผู้นันไวยหลวงปูก็ไดนางสมาธิโบดนผีกองคอยตัวหนึ่งล่นลงมาจากตนใหม่ผมเหี้ยหน้าทอเล็บมือตัวของมั่นคือกันกับสเน่แต่ว่าหน่อยหน่อยยางว่นไปว่นมาโบดนก็หายไปท่านหลวงปูหูว่าเด็กหนอยผู้นันสินขาดก็เลยลงมาทรงเมื่อบ้าน ทั้งคณะของหลวงปูกระออกผู้โดงต่อไปปีพ่อสอหลวงลำกำกายแม่ดนจนเมื่อถึงเงื่องอุบลตอนที่นี่สงข้ามโลกสองพันสี่แปดเจ็ดเดินหันในทั้งหักทักแหน่พีหลวงปูท่แท่ท่านสาเขาได้ยืนยำ ขำได้เตือนเศร้าบานเศร้เมื่องพร้อมเนื่องอยู่คือศัตรูมาหอดแหลวยาสูนิ่งอยู่เสรยหลวงปู่เผยข้ามเบาให้ลบเลี้ระวังเม้ยอีกปัวดนข้องสิแยแน่นจริงแท่แม่นีรีเหตุการณ์ที่ท่านหลวงปู่ขันอาจานโอที่ท่านได้หูลวงหนาเกิดขึ้นสงครามโลกครั้งที่สองปีพศ ส, สองพสี่หน่อ ท่านหลวงปู่ได้จำพักษาอยู่จังหวัดขุนุญหลัดสานีเหตุการณ์ที่ท่านหลวงปู่ได้หูหลวงมาก็คือขาเครื่องบินสิมะถินระเบิดหลวงปู่ประสิบปภะเม่นและเศร้าบานบอท่านเฮงกับนิ่งเทิงบินสีมะถิมระเบิดดีนีาานนอนออ้อยู่ใ น, นส่วนหนึ่งท่านหลวงปู่ฝันกําลังสันเข่าเศร้ารัวก็เลื่เตือนขึ้นมาว่าเระว่างเลืออีกบดบ ให้เตรียมและบอกเศร้าบา้านเศร้าเมืองสิลป์เครื่องบินมาถิมระเบิดคนเต็มวัดอีกเศร้าบ้านกับมาอยู่วัดกับหลวงปู่โบท่านโดนกับเบนอีลีคนในวัดหอบลูกจูงหลนันไปลบให้ยูในบริเวณวัดเต็มไปเบิดท่านหลวงปู่ฝันกระล้องจากกุฏิไปเตือนให้ยูในเพืมสงบให้ภาวน่าพุทธท่พุทธท่วยโดยทั่วกันทั้งเด็กหน่อยผอมผูญ ย, ยิ้ หลังจากหลวงปู่จำพรงสาอยู่จังหวัดพุบนก็ะออกพานสามาถึงฤดูกรถินหลวงปู่ฝันอาจารย์โลได้เข้านมัส ก, การกาบล่าสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ที่วัดสุปัหนารามขออนุญาตยางมาจังหวัดสกลนครพร้อมกับลูกศิษย์ผ่านจังหวัดนครพนมในมือไมทถ่านหลวงปู่ก่ยงางไปเรื่อยๆหอมพวมคิด สิไปกับนมัสการหลวงปู่มันผูลิทัตโตไปพ่อหลวงปู่มันอยู่วัดบ้านห่วยแค่นแล้วเศร้าอยู่กับหลวงปู่มันสามคืนจังได้ล่าเมื่อยางต่อได้ไปพักอยู่วัดบ้านโขกกับอาจารย์กงมาหาขึ้นต่อไปยางไปจังหวัดสกลนครสิไปวัดปลาสุทธาวัด อยู่ในเ<ร>มือ ง, องสกลนครนั่นเองพักอยู่เพียงสามคืนท่านหลวงปูยางต่อไปอำเภอพนานิคมแล้วยางลัดทงหน้าตรงไปบ้านบะท่องบ้านเกิดของหลวงปูนั่นเองได้เข้าพักอยู่วัดบ้านบะแด้ปลาซาไก่ไก่น้องแว้งกะมีญาติาโยมได้ผ้ากันม่าขากถังเห็ดที่พักให้หลวงปูสัวข้าว แสงตะเวนศา ส, สองฝ่าแจงหงมากเป็นมือไม่พี่นองเอ้ยฝ้าสิไซไปนาเมื่อบานทีุ่มเย็นเห็นม่นอดอกขัดเข่าหอมเป็นเล่าอยู่ในป่าดอกจำป่าหอมอยู่บานบอมีลากินอายไทผู้ลืมคุ้นถิมบอมีดีจักยางพี่จังหลวงคูผันพู น, นีได้มาสั่งกินแปงเขตน้องเล่นเกาโมนันบุทธะเงแหงนตา ท่างไปมาสัญจรพัฒนาบม่มอย่างท่างวัดว่าปูกระสางว่างโค้งการไวหไหงไหไปมาได้กาบไวลื่อเลื่ยงนาสะอ่อนอุดมสมพรชือ่อวัดเจ้าพอหลวงปูหูน้าผ้าคือหลวงปูฝันฝันหาหน้าหุ่นบ่มิแล้วแถวอุบลข้อลาดได้ไปมาเบิดสุบอลกับมาสร้างวัดอุดมสมพร สมกับพ่อนอันเลิศลำถ้ำนีหาจื้อเอาแน่ดเด้อที่พักสัวข้าวของหลวงปู่อยู่ต่อมาไกลาเป็นสถานที่ตั้งวัดอุดมสมพรคื อ, อสุเมรีสวนน้องแว้งแต่เกานันได้ไก่มาเป็นสะนำไงไพ่ในวัดทางทิศ ต, ตะวันตก ซึ่งหลวงปู่ฝันกับญาติโยมได้สร้างโพดน้มอยู่กลางสะนั่นเองณบริเวณป่าสาข่างน้องแวงหลวงปู่ท่านจัดเตรียมสถานที่เพื่อพร้อมจัดงานทํำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่บุพการีของท่านโดยมีญาติโยมเศร้าบานออกมาซอยกันคือทุกอย่างพร้อมแล้วท่านหลวงปู่ได้จัดพิธีทําบุญึ้นเป็นการทําบุญที่ยงงิ่งใหญ่ มีเศราบานจากหลายมูบานมารวมกันหลายอหลีคือหลวงปู่ท่านในจัดงานแบบพระกรรมฐานบ่มีมหโลศพพงนันมีแต่การสวดมนต์รักษาศีลฟังเทศอบรมธรรมปฏิบัติสมาธิภาวนากันเบิดขึ้นโดยมีพระเทระผุงไงไปรวมงานหลายลูกหลายองค์เมื่อพระสงฆ์สวดพูดธรมมนต์เรียบร้อยแล้ว กมีการแสดงถ้ำองค์แรกที่ขึ้นแสดงถ้ำคือหลวงปู่ันอาจารโล่บรรดาภิกษุสัมมเนนอุบาสกอุบาสิกาพ้อมหยาดโยมกันางสมาถถธิภาวนาตอนหลวงปู่กำลังแสดงท้ำมหทสนาได้สลับกันกันกบท่านพระ ญ, ญาคูด่ดีท่านพระอาจารย์อ่อนยันนาสิลิเทศอบรมหยาดโยมจนแจงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากที่จัดถ้ำบุญนั่นแล้วกะมีพระภิกษุสามเณรได้มาพักจำพรรษ า, าตลอดมาพร้อมกับได้พัฒนาวัดป่าอุดมสมพรขึ้นเรื่อยๆวัดทีหลวงปูฟันอาจารโรได้ทำ น, นักเป็นวัดสุดทไทยของชีวิตของท่านปีพศ2488จนมาถึงปีพศ2496 หลวงปู่ฟันอาจาโน่ได้ไปพักจำพรรษาที่วัดป่าถาดนาเวง่งอําเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครท่านหลวงปู่จำพรรษาอยู่นั่นได้เก่าปีแล้วก็ได้เปลี่ยนซื้อวัดใหม่เป็นวัดปา่าพุทอนพิทักจนมาหอดสุมเอนีท่านหลวงปู่อยู่วัดปา่าพุทอนพิทักษได้ผ้าพระเนื่นพันธนาสมแซมบุตรีหีพังหัก ให้มีสภาพดีขึ้นจนสมบูรณ์พอถึงวันอุโบสถท่านหลวงปู่สีอบร้มสานุศิษย์เป็นประจำมีการแสดง่ํานางสมาธิาวน่าพร้อมกับเดินจงกรมเวดขึ้นปีพศ2488นั่นมีเรืืองอัศจรรย์ขึ้นเวลาท่านหลวงปู่มีธุระสีเขาไปในเมืองสังลหรือไปวัดป่าสุทธาวา ตองยางไก่เป็นกิโลจังมาหอดเสแยกข้างในขั้นมีรถกับพ่อไข่แนขั้นบบมีกับตองย่างตั้งหกกิโลพี่น้องเอ๋ยจังมาหอดตัวเมืองเรื่องที่ซา ก, กันนั่นก็คือบางเท<า>ถาลวงปูสิเข่าไปในเมืองกับเน้นบางเท<า>ถอเน่นหรือวาลูกศิษย์ได้มิ่งเสียงรถมาจากข้างอุดอ่นคิดในใจว่าจะต้องเป็นรถโดยสารเพื่อเขาสะกล หรือเนี่ยหน่อยกะสีฝ้าวเรียนไปบอกรถจอดขาอยู่ทางเสียกแต่หลวงปู่กระเอิ่นบอกไปว่าบบต้องดอกเรียนให้เมือยเห็นหยังรถขั้นนั้นต้องยุดขาอยู่แล้วท่านหลวงปู่โบใจห้อนอย่างออกไปหารถแบบสบายพ่อหอดเสียกพระเน่นกะเนียมเห็นรถจอดขาอยู่พนขับรถกําลังเบิ่งเคทีองว่ามันเป็นหยังท่านหลวงปู่ก็เลยถามว่า รถเป็นยังค้นขับรถกระตอบท่านที่โบหูขับท่านอาจารย์แลนมาดีๆเครื่องกระดับเอาซื้อพ่อมาหอดสี่แยกเครื่องเลืยดับครับสตาร์ทเท่าใดกะบปติดท่านหลวงปูเว้าแบบค่อยๆโบเมนเครื่องดีล้ว่าล่องไปติดเบิงดูอัตมาขอโดยสารไปน้ำหลวงปูผ้าลูกศิษย์ขึ้นรถทางพระเนนแนมนากันว่าแปลกแท้ หลายเพื่อแล้วที่รถจอดหาแบบนี้อยู่ในปีพศ2489ฝนฝ่าโบตกตามฤดูกันจนเขาพันศาเดือนเก่าสิงหาคมฝนฝ่ากัยันโบตกเจ้าบ้านมาวัดจังหันได้พากันปรึกษากับหลวงปู่ท่านจังได้แนะนำให้รักษาสิงภาวนาอย่างเข็งขัด ท่านหลวงปู่ฝันจึงเวาขึ้นว่าหากยึดมันไม่พัตนาไตแล้วสิบ่ออดไต ย, ยังแน่นอนกุศลควาวมดีทั้งเบิดสิักษาผู้ปฏิบัติสอบเสมอพวกปัญดาญาติโยมอยู่ในเขตเมืองสกลนครหรือว่าที่อื่นๆพร้อมผ้ากัน ร, รักษาสินหาสินแปดตามหลวงปู่พันบอกต่อมาเมือหนึ่งท่านหลวงปู่ฝันให้สิท์ เอาศาส์ไปปูยู่ลานวัดกลางแดดแล้วหลวงปูขพระภิกษุสององค์สัมมาเนี่ยนสองลูกก็ได้ต้องไปน่งสวดข้าถากลางแดดจาาน่งสวดไปได้ประมาณเคิงสุโ ม, มงก็เกิดมหัศจรรย์ขึ้นห้องฝาที่มี่แดดจาาท่านที่นี่เสียงฝาห้องแล้วเกิดมีก้อนขี่ฟาก้อนใหญ่ดำมืบดบ่ดนฝนกระตบมากจนท่านหลวงปูบอกพระให้ลบฝนไปก่อน ส่วนตัวของท่านก็ยังนั่งสวดอยู่หม่องเกา่ามอย่อมหลบฝนเลยจนท่านหลวงปู่สวดแล้วท่านจังเขาไปลดฝนญาติยมพีนองพร้อมเศร้าบ้านก็ได้ดีใจลายเป็นนั่ผนลนพลาพระอาจารย์ฟันหรือหลวงปู่ฝันของเฮานีล่ล่ะเพินซอยให้ฝนตกจังได้ตกกะดำให้ดำหน้าฝนตกอยู่ประมาณสามสุโ ม, มงเต็มเต็มเมื่อฝนเศร้าแล้ว ท้องฟ้ากับแจ่มใสคือเกา่าเดดก็ออกตั้งแต่นั้นมาฝนก็ตกดีมาโดยตลอดฝนสิตกฟ้าตั้งเงาฝนสีเศ้าฟ้าตั้งมนขั้นบตกแท้ๆสังมาหองอยู่บ่เศ้าเดดผัดแห้งห่หอนอังเอาเผากกาย่อยู่บ่มีไหวขอไอฝนมาป่วยทำห้อยลงคืนหลวงปู่เอ้ยขั้นเศร้าหน้าได้ยืนให้น้ำตาไหลบอหยุดมี ครอบมันเป็นแบบนี้ปีหาศูนมีกกะเปลี่ยนแปลงผู้ขาขอแห้งภาวนาตังขอนำฝนลงมาภายขอจงได้ทอดภายกับหลวงปูทอนันสิโตนถอนผู้เหียวว่อนกะคือปีหาศูนเดี๋ยวนี้่างสปล น, นครมีการแหงแหล่งไหลฝนฟ้าโบาตกตามฤดูกันผู้ที่มีนามข้อง้อนประท่านกะไข่แน้ผู้บ่มีกะแยไหล ผู้ขาจังได้เอื้ยขอนำฝนจาก่ันหลวงคูฝันอาจารโนโปรดจงได้ปรดหายลูกหลานเศ้าหน้าสี่ได้ทำให้ทำหน้าในอ้อนพี่น้องเอ้ยออก่รรษาสองสีเก่าหนึ่งนั้นคูบ่อได้อยู่จังหวัดเท่า หลวงปูยางไปพู้นัวแมนบอมีท่างย่างยางหาวั่งผ้าวนาเจา้าบ่มเพิ่นศิลนตั้งต่อปูบอมีย่อท่อเพี้ยนส่าง น, นอพุทธโธส่วนวโตวของท่านเอาลูกศิษย์ยอนนัมตามถามผู้ตามไปนั่งมาสามเนี่ยหน่อยเพิ่นนั่มห้อยหลวงปูฝันได้หันหาพระถ้ำต่อท่างหลวงตูเพิ่นบดายย่อท่อ ขึ้นผู้ข่วงวงแมนไงสูงปีพศ2041เก่าี่1หลังออกพ่านสาอยวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครท่านหลวงปู่ได้ผ้าพระภิกษุสัมมเน่นเดินทุ่ดงไปพักบำเพ็ญทังผู้งัวเหตุที่ท่านได้ไปผู้งัวนั้นเริ่มจากท่านเจาขุ้นพระธรำมเจดีจูมพันธุโลวัดพที่สมพรจังหวัดพุ ด, ดอนห้านี่ได้ในม่นหลวงปู่ ไปงานศพของท่นทานพระอาจารย์อุ่นที่อำเภอทาอุเทนจังหวัดนครพนมพ่อเสร็จงานศพแล้วหลวงปู่ฝันหลวงปู่อันและท่านพระคู่อุดมธรรมคุุหลวงปู่พระมหาท่องสุขสุจิตตอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาดจังหวัดสุพนครได้ปรึกษากันว่าสิไปทั้งใดดีหรือสิแยกย้ายกันกับวัด หลวงปู่ออนกระออกความเห็นว่าไปวิเวกต่อแถวผู้ร่างกาผู้งัวท่านหลวงปู่กระยังไปหอดได้พักอยู่กับพระอาจารย์ว่างจิติสาโลได้เจ็ดแปดมือได้พิจฉรหน้าเห็นความลำบากหลายอย่างการขึ้นการล่งจากผู้เขาหรือว่าบินทบาทลงหน่าบ่ไดดพวกญาติโยมก็ได้ทรงสเสบียงอาหารขึ้นไป ให้ลกูกศิษย์สัมมานีนเหตอาหารฮวายอยากล่ำบากแระสนันแล้วหลวงปูฝันจึงได้ถามพระอาจารย์ว่างว่าผู้งวัวนั่นเป็นทีที่สีบีเวกดีบอ๊อท่านพระอาจารย์ว่างบอกว่าดีมากเป็นป้าดงดิบเต็มไปพร้อมพวกนกห น, กนกูปูปีกเก่งกวงสร้างนี่หอดกระทิงเมื่อท่านหลวงปูฝันหลวงปูอ่อน พร้อมด้วยพระมหาท่องสุขได้ล่งจากผู้ลังกายางพานบ้านพ่มาแข่งแล้วกมาพักอยู่ในวัดพังบริเวณไก่ไก่บานโศกกา ร, ร ม, ม, มเมื่อมาพักอยู่วัดพา ง, างก็เลยถามเศร้าบานหยาดโยมว่าผู้ง่วงนี่ทีภาวนาเหมาะสมบ่หยาดโยมก็เลยว่ามี่เถินกับผ้าหลวงปูหลายองค์ขึ้นไปแล้วกไปพักอยู่บด่ดล เพราะว่าบ่เปลี่ยนทีสงบเป็นท่างเล่นท่างเที่ยวของสางบ่อเหมาะสมกับทีศีสัมมาธิพวนาหลวงปูทั้งสามองค์ก็เลื่ยใหญ่ไปพักวีเบกทาพักต่อท่านหลวงปูทั้งสามใหญจากบริเวณหินงบนําย่อยมาอยู่ทำพระโดยให้พวกญาติโยมยกแค่ขึ้นสงทนพืน้นเป็นทีพักทำพระมองนี่เป็นบริเวณห่วยบางบาด พล่านหินข่วงไงเหมาะสมบำเพ็ญภาวนาและก็ระสงบดีรรพระแห่งนี้กระย่งห่างไกลจากมู่บ้านหลายท่านหลวงปู่กระได้อายะ ย, ย, ยัดย่อมบ้านโสกกรรมดอนเสียดทรงสเสบียงอาหารเพราะว่าย่งลงมาบิณฑบาตปได้ท่านหลวงปู่ฝันพร้อมด้วยท่างหลวงปู่อื่นๆได้พักวิเวกอยู่ธพระเทิงคู่ง่งวได้ประมัน สองเดือนฟัวปูมหาท่องสุกก็ได้ออกความเห็นว่าคววนสิเหตุแบบใดไวเป็นทีละลึกสักอย่างก็เพอเอินพ่อนาพ้าหินสูงเมะสาหรับที่สีสางพระประท่านไวเป็นพีละลึกสักกาลอบูซาโอ้เดโนอหอมหลายด้วยหอมดอกขิมินฝังตามดินบอสินกินบอมีดินปิ้นเปียแง้มเสาเบิก บ, บาน อยู่ตามดงบ่มีคานสร้างหนท่างผ้ายางทางโมดินปินโมใหม่มหัวงไวเผื่อพระถรมเทนอหลวงปูเอ๋ยสนั่นหลวงปูฝันอาจารย์โลกพ่อหลวงปูองค์อื่นก็ได้สร้างพระพุทธรูปอยู่หน้าผาแห่งนั้นคือได้ใส่วัสดุที่หาได้ไง่ายก็คือขี่ส้างขี่งวัวเพราะสมยัยตะกี้สร้างกะาย จังได้แจงหายาติโยมบ้านดอนเสียบบ้านโศกกรรมบ้านแา่ตะไกบ้านอื่นๆให้ซอยหาวัสดุเรานีมาการปันนั่นหลวงปูฝันกับหลวงปูมหาท่องสุขท่านก็มีฝีมืออยู่แล้วแต่ในปีนั่นฝนตกนั ก, นกแน่ชักหน่อยก็เลื่อมีอุปสรรคแน่ชักหน่อยการทีปั่นพุทธลูกยังบบแล้ว ท่านหลวงปู่ฝันหอนใจไหลก็ลเลยส่วนหลวงปู่มหาท่องสุขลงมาจากปู่ง่วเพื่อไปเยี่ยมไข่พระอาจารย์ใหญ่นั่นก็คือหลวงปู่มั่นภูลิทัตัวจังได้สางค่วมงงให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลายองค์และบรรดาญาติโยมพร้ อ, อมวัดป่าบ้านน้องคื อ, นน อ, ค, อคือตอนนั้นหลวงปู่มั่นได้พักอยู่นั่นเมืม่อมาหอดวัดแล้ว พวกลูกศิษย์จังหูวว่าม่เยี่ยมอาการอ า, าพาธของหลวงปูมันหลวงปูฝันได้อยู่ปฏิบัติพระอาจารย์ไงมันได้สองสัปดาห์อาการของท่านก็ได้ทุเลาลงหลวงปูฝันก็ได้กราบลาท่านพระอาจารย์ไงไปจำท่รนษาอยู่ที่วัดป่าผู้ท่อนพิทักที่จังหวัดสกลนคร น, นั่นเอง นี่ลนะนาอบุญพลาสัางได้กลับมาคือเกา่าหากแม่นบุญแต่เข่าไผ่มาสัางหากบ่แม่นแนวซาแล้วต่อมาในเดือนมกราคมพ่อสอ2ห่ลอยเกสองวงปูฝันกระได้ส่วนหลวงปูมหาท่องสุขกลับไปวิเวกทีผู้งัวอีกเพื่อไปสร้างพระประท่านบนนาผาให้เซจเรียบร้อยการปั้นเพื่อเสริมแต่งพระประท่านเธอหนี หลวงปู่ก็ได้เหตุยางหดเร็วเพราะท่านเป็นห่วงหลวงปู่มันคือพระอาจารย์ไนพวยนักอีกเมื่องานปัน่นพระประธานเสร็จเรียบร้อยบรรดาสัทธาญาิโยมได้ขึ้นไปรวมอนุโมทนาบำเพ็ญกุศล น, นำเป็นจำนวนหลายอหลี อยู่ในส่วนกลางท่านสาปีพ่อสอสองสรยเก้าสองการปวยของหลวงปู่มันในครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญหลายคือหลวงปู่มันเพิ่นได้ปวยนักสร้างค่วมตกใจมายั่งหลวกสิทธิ์ทุกๆองค์พอมหยาดย่อมหลวงปู่มันต้องการให้ใหายทันไปอยู่วัดสุทธาวาดเมืองสกล น, นครเพื่อสะดวกต่อยาดยม่มสิทธิ์ทุกทันได้รับหู และได้นำทางเข้าจังหวัดสกลนครคุณวัฒน์ธรรมานาม ون, ูลหูเขาาก็ได้นำรถยนต์ไปรับพระอาจารย์มันไปพักอยู่วัดป่าสุทธาวาสเพื่อไห้ไก่หมอแบบไก่ซิดพ่อมาหอดวัดท่างแพทย์เพิ่นกระให้ยานอนหลับแกทันพระอาจารย์มันพอว่าการเดินทางโดยรถยนต์สมัยนั้นกระเทื่อนหลายทันกระโคงสีหยาพักท่อน กีนองเอ๋ยคือตนไม่ไงกรรมงาไงทั้งใบดกลนโบมีทังหกมั่นหักแปนเอาหายสมใส่ไฟโบมี่ใหม่คือใหม่ข้ามขอดเส็นมีเส็นใหม่มีอยู่แล้วคือแน่วห้องแก้วได้ลนหายสาแล้วหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มันท่านได้รับฉันยาแล้วท่านลงปูฝันอาจารย์โลท่านก็ได้ล่งจากกุฏตติ ที่พระอาจารย์มันพักอยู่หลวงปูฟันได้บอกพระภิกษุสั ม, มเนี่นบางองค์ว่าถึงเวลาหกโมงพระอาจารย์มันจังสิเตือนแล้วกะลูกศิษย์หรือสัมมเนีน่นรีบสงนำเตเว่นเมื่อลุงปูฟันสงนําแล้วแล้วกะเฝ้าขึ้นไปเบื้งอาการอาภาษของพระอาจารย์มันจนถึงสามทุ่มท่านจังได้ลงจากคุตติให้พระภิกษุเฝ้าแท่น ท่านหลวงปู่สิพักพรหากหอดเวลาหกทุมหากท่านยั่งหลับก็ให้พระภิกษุไปฟุกท่านพอหอดเวลาหกทุมท่านหลวงปู่ฝันกระตุนพ่อดีเฝ้าไปกุติพระอาจารย์มันแล้วกระบอกให้พระภิกษุเฝ้าไปนิมนต์ผูบาอาจารย์ทุกองให้เฝ้ามากุติพระอาจารย์มันโดยด่วนเมื่อสิทธุทองค์ของพระอาจารย์มันได้มาร่วมพร้อมกันทุกลูกแล้ว ถึงเวลาตีสองคัวพระอาจารย์มันก็ได้ถึงแก่มรณะภาพด้วยอาการสงบโดยบ่ได้แสดงอาการทุรนทุไล่ด้วยผิดค่วมเจ็บปวดแต่ยังไหนบรรดาศิษย์สันผู้ใหญ่ของพระอาจารย์มันได้ประสุ้มเพื่อจัดงานศพแล้วเตรียมงานกันหอดสามเดือนจังได้ประสุ้มเพิ่งในเดือนมกราคมสองทสีลยเกาสิมนาไมลุ สัวข้าววัดปลาสุดขาววดในเมืองสกลนครในเมื่อจัดงานท่านพาจาันมันเลวท่านหลวงปู่ฝันอาจารโลท่านก็ได้เดินทางไปวิเวกข้างผู้งัวอีกอยู่ในระวางที่ท่านพักอยู่ในธรรมภะ เพื่อคูง่วงเถื่อนนี้พระอาจารย์ฟันก็ได้ประสบวัดเฮียนับวาลายเร่งที่สุดในชีวิตของหันก็ว่าได้หลังทันชั้นจังหันเสร็จก็ออกเดินห้างไปหวยบางบาด่ันหลวงปู่ฝันย่างหนาพระภิกษุตามหลังมียมสองคนไปนั่ทั้งเบิดย่างไปตามลำหวยบางบาดพ่อหอดล้านหินสันหนึ่งสิขึ้นไปสันเพิ่ง ระยะทางเงี้ยวสิบก็ว่ากวาใดแผ่นพลล่านหินมีนำไหลกะมีที่ไข่ขนำจับนำหายางบล่าว่างกะสิเมินโยมสองขมยางก่อนหลวงปูยางตา่ำพระภิกษุยางตอไทยหลวงปูหลวงปูไกสีวิดมองมันเมินแห้งเพราะว่าหมองนั่นมันเป็นล้มหลองหินที่เลิกหลที่ใข่ขนำกะจับไหล เหลือเพื่อนก้าวเดียวกับพลพ่อท่านหลวงปูก้าวไปอีกเท่านั้นท่านก็มืนลมทั้งยืนหัวฟาดกับคะล่านหินดังสนัน่นเสียงขื้นมาเท้าถือทุบจากนั้นก็ไหลล่องไปตามหลองหินเอาทั้งหัวไหลล่องไปก่อนพระผู้เป็นลูกศิษย์ยืนอยู่ทั้งหลังตกใจจนโตสันยืนอยู่กับทีสิเข้าไปซอยอิงยังกับบอดาเพราะว่าพระภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์กับประคองตัวเองแถบสิบอยู ได้แต่ยืนเบื้งพระอาจารย์ไหาพันนาไปพร้อมกับกลุมตกใจร่างของท่านหลวงปูไหลลงไปในหลองหินประมาณหกว่าย่างบอล้วไหลตบลงไปในหลุมหินอีกขวมเมือนของขี่ไข่นําแหงเห็ดในท่านหลวงปูเมื่อไหลลงไปอีกแหงเมือนแหงเสียหลักง้หัวขื่ น, น, นเหลวแหงมื่ออีกท่านพระลูกศิษย์คิดว่าท่านหลวงปู ต้องมอลณภาพยางเหนอนี่ละพันวาบุญน้าซวยให้ความซวยหนีออกห่างบุญพันใดก่อสร้างเอาไว้ตั้งแต่ น, นั่นส่วนบาปกรรมนี่ละท า, ทานก็เห็นอยู่คือกันข้อละมั่นจิตใจนี่ละโตกรรมแพ็คงเป็นด้วยอำนาจบุญก่อนล่างท่านสีหอดซองหินท่านหลวงปู่กับตั้งลักลุกขืนใด แล้วท่านกับยางขึนมาตามท่างที่ท่านมืนตกลงไปท้าท่างปกติคือเกา่าคือบ่มีอีหยังเกิดขึ้นกับตัวท่านพระลูกศิษย์ห้องขอให้ท่านอ้อมขึนไปท่างอื่นแต่ท่านกับบอย่อมอ้อมกับบอกว่าเมื่อมันตกลงมามองนี่ก็ต้องขึ้นมองนี่ให้ได้พ่อเว่เล้วท่านลงปูกับยางขึนมาได้แบบสบายยางเหลือเสือนาอัศจรรย์ ท่านหลวงปู่บ่มีบาทแผลแม่แต่น่อยถึงสีมี้กระเล็กน่อยอยู่มองคอศอกท่อหัวไม่ขีดแดงแดงพ่อหูจักในตอนท่านหลวงปู่ฝันอาจารย์โลได้มืนลมตอนนั้นช่วงนั้นท่านได้กำหนดจิตได้ในชัวริพิตาเฮ็ดให้โตเบาคือสำลีแบบฉับท่านท่านหลวงปู่เคยสั่งสอนลูกศิษย์ว่า ชิตของผู้ฝึกได้ดีแล้วย่อมมีสติอยู่ทุกอริยบทบวาสี่เยือนหรือสิ่างหรือวานางังขอมกับนอนกตองมาร่วมอยู่ใดกับผู้ที่ตั้งใจคือสมาธิภาวนาในปีพศ2040เก่าซึหา ของเดือนคุมผ้าพ่านหลวงปูฝันอาจารโรท่านได้ไปพักวิเวกคิววัดทำเป็ดเขตอำเภอสว่างแดนดินอยู่ใกล้กับวัดอภัยดำโล่งร้ำหรือวัดถำพ่วงของพระอาจารย์วันอุตมโมอยู่ทำเป็ดแห่งนี้นอกจากท่านหลวงปูสิพัฒนาด้านสถานที่แล้วกันย่งซักส่วนเศร้าบานให้ซอยกันก่อสางหารวาัดถุ ไว้เป็นสาธารณะประโยชน์อีกท่านก็ย่งพัฒนาทางนานจิตใจของเศร้าบ้านไปพร้อมๆกันโดยฟั่งเทศสั่งสอนให้หูจักถ้าบุญถําท่านการรักษาศีลและการปฏิบัติภาวนาแล้วผ้ากันจมวา่าบ่ม่อยากบ่มกินหลวงปู่ท่านก็ได้แนะนำให้่ําสวนพัวตอนที่ท่านหลวงปู่ฝันอาจารย์โลท่านได้ผ้าพระลูกศิษย์ ขึ้นไปพักที่ธรรมเป็ดใหม่ๆมีธทำหน่อยๆอยู่ธรรมนึงพระลูกศิษย์เห็นว่าธรรมนั่นสงบดีก็เลย่อยให้ญาติโยมเอาตะแคไม้ไผ่ที่สูงแค่คืบเดียวให้ไปว่างเป็นที่พักพ่อหอดย่า ม, มือหลังก่อนสิบไปพักอยู่ที่ธรรมนั่นท่านหลวงปู่ก็ได้เตือนพระลูกศิษย์ว่าลงไปนอนธรรมนั่นให้ภาวนาดีๆอย่าหอดกับหอบบริสาร บาดจีวอนแลนหนีสาละตั้งใจภาวนาให้ดีๆว่าแล้วท่านหลวงปู่ก็หัวเลาะหน่อยๆจากนั้นพระลูกซิปก็เลยเข้าไปนอนพ่อกำลังเคิ่มเพิ่มท่านกรสดุ้งด้วยความตกใจมีมูกบมูเขียดแตกตื่นออกมาจากธรมเป็นมูมูหากพระท่านสิลูกหนีออกมาจากธรพ่อคิดได คิดพ่อขําหลวงปู่เวาจังนั่งพยายามสงบใจไว้ให้เป็นปกตินั่งค่อยถาเบิงเหตุการณ์อยู่บนเคอย่างเงียบๆท่านที่ก็ได้ยินเสียงงูมันขั้นเสียงดังคาค่ า, าอยู่ในธรรมขันสีกระโดดหนีก็คือสีโบเสือขําของหลวงปู่เวาจังได้ตั้งใจภาวนาฟังเสียงกบเสียงเขียบเสียงงู ห่องละง้มยูวเบิดขึ้นในที่สุดเมื่อจิตงสงบดีแล้วควมยานควมกวัวกระหายปานพิดทิมตอนเศร้าท่านหลวงปู่เลยถามว่าเป็นจังไดเกือบหอบบริหันแลนหนีควมบใจบอทหันหลวงปู่เลยห์เบาต่อสินี้ไปอยู่ใส จ, จังสิพลควบใจพระผู้เป็นศิษย์แปลกใจไรท่านหลวงปู่ท่านหูในจังใด พี่น้องเอ๋ยผู้เพันหูชีพตาแก้วได้แนมเห็นเบิกทุกอย่างคือเพันได้ภาวนาต่อตังหวังสัง่งเจ้าท่านนี่ละท่านคือหลวงปู่ของเฮาผู้เพันเดินสรรหาเบิกแปวแน่แก้วเทอยู่ผ่านแนมเห็นแล้วส่องเป็นแน่แก้วหน่วยหนึ่งคือหลวงปู่ได้คํามึ่งดึงจิตเห็นแก้วหน่วยมีจักไปรีอยู่ใส่เนาะ อยู่ในปีพศ2 4 9 6หลวงปูฝันอาจารย์โล้พันจำมัุงสาอยู่วัดป่าผู้ท่อนผักจังหวัดสกล น, นครตอนกลางพุงสาปีนั้นท่านหลวงปูฝันได้เวากับลูกศิษย์วา่าท่านได้นิมเห็นทำทำหนึง่งอยู่ทิศตะวันตกของสนเขาผู้พานในทมนั้นนี่แสงแจงหงท่อกันกับแสงแตะเกียงเจ้าพา ย, ยุสองหน่วย แล้วกระล่มเย็นดีและบีเวกหลขั้นแม่นขึ้นไปยู่ในธรํานั่นแล้วสีคือได้กลับไปยู่อีกโลกหนึ่งพ่อออกพุทธศนธลงปูก็ะไดยางไปบานท่าคามีลูกศิษย์พระหนึ่งลูกสัมมเนี่ยนหนึ่งลูกติดตามหลวงปูไปพ่อไปหอดบ้านท่าคาหลวงปูได้พักปักกดอยู่ข้างทางบานที่เป็นปายิที่ให้บ้านเอื่นวาดงวัดห่าง เมื่อได้ถามญาติโ ย, ยมเบิงเลีวว่ามี่ทำอยู่ทั้งคู่หลายมองเมืออ่อญาติโยมไถบานขํามคาผ้าหลวงปูขึ้นไปเบิงทั้งคู่เบิงหลายหมองหลายทีแต่โบตรงกับท่านหลวงปูนิมิตเห็นท่านหลวงปูฝันก็เล่ยถามอีกว่ามี่ทำอีกบอญาติโ ย, ย, ย, ยมก็เลยว่ามี่อยู่สุดหมู่เขาเอิ่นว่าทำคา ทุกปีหอดมือสองการเศร้าบานสิผ้ากันไปสงนำพุทธรูปไปถําบุญให้ทำคามนั่นเป็นประจำพ่อมือไม่ญยาดโยมผ้าท่านหลวงปู่ขึ้นไปอีกพ่อไปหอดท่านหลวงปู่กันยางเลาะบึงท่านหลวงปู่ก็เลยตอบว่านี่แหละโยมเอ้ยนี่แหละอัตตมานิมิตเห็นตอนจำพรงษายอยู่พ่อเห็นตามทีนิมิตแล้วก็ บ, บอกหยาดโยมเฮ็ดเส น, น นอนสองทีอยู่ในธรรมพัฒนาอยู่ธรรมขามจนเดี๋ยวนี้หลวงปูท่านพักอยู่ธรรมคามพร้อมพระภิกษุสัมมเน็ผู้เป็นซิเมื่อเดือนมีหน้าค่มพ่อซอสองทนสี่ลอยเก่าสิบเจ็ดหลวงปูได้ผ้าญยาดโยมเวียนเทียนคือวันวิสาขบูชาได้แสดงถ้ำอบรมสมาธิภาวนาเบิดขึ้นหลวงปูแสดงท่ำจนหอดแจง ได้มีเศร้าบานไปร่วมท้ำบุญจนล้นหลามหลวงปู่ได้ว่าว่าได้พ่อมองบำเพ็ญค่วมเพียรอย่างสมบูรณ์แล้วสิบุไปจำพ่านสาทีอื่นได้เลือกบริเวณทำขำเป็นทีพ้ำหนักจำพ่นานสาแล้วกระยาดง่มได้สร้างคุตติให้กับท่านหลวงปู่หลังยูทำขำหลังสูมมอนี่เอง ซึ่งกุฏิหลังนี้ทังไต่ล่างสิเป็นทาเสือมีเสือตัวหนึ่งเที่ยวขึ้นเที่ยวลงพ่อหลวงปูไปอยู่เสือตัวนั่นกันนี้คือซิเมนถาวายทีแห่งนั่นให้หลวงปูฝันอาจจะโล นี่ลาพันวาสูงอยู่ฝ่าเดือนเดาเป็นผู้ยูคือหลวงปูฝันภูนีสูงลำเฮงะาถ้ำน้่มท่างใจได้ผ้าสางมีไหลอันทันยางถางหนท่างขึ้นยอดทำมบมีขานเหนยไกย่มีหยาดโยมพีนองบ้านขำขาผาร้มคือหลวงปูฝันหันหาสืบมาจนเดียวนี่มีของดีไวให้ไทบานเท่ารักษาเน สืบต่อไปคือซีบแยแอกุสนแน่บัดเทื่อเห็นแท้แล้วปีพศ2 4 9 8หลวงปู่ฟันอาจารโรได้ปรึกษากับปัรดาญาิโยมที่เดียมากป ฏ, ฏิบัติถือศีลภาวนาผู้คนกระนับมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส า, าล่าโล่งท้ำบอมิอยโยพักไม่กบบ่อแข็งแรงที่พักกบบ่อเพียงพ่อ สมควรแลวที่สิสังสาล่าโลง่งถ้ำไม่ให้ท้าวอนขึ้นกว่านีทั้งหยาตย่อมก็เห็นดีจังได้่ากันรวมมือโดยท่านหลงครูได้คำนวนเองการฝนอุปกรณ์ก่อสังขึ้นไปทั้งวัดทำา ม, ามเต็มไปด้วยความหยาลำบากายทั้งเศร้าบานพร้อมด้วยพระลูกศิษย์พระสงฆ์สามเนี่ยนซอยกันแบกยกมกันขึ้นไป เสาใหม่เงาตั้งแต่สิบสองเมตรการแบกขึ้นไปได้ยา ง, ง่ายใดสิบอมมี่พยจมเม่หอดมือยกเสาท่านหลวงปูขวบพุมเองเสาแต่ละตนตั้งขึ้นทั่งก้อนหินมีสันแน่เงาแน่บ่ทอกันสิบอมมี่เอยนอวยและบ่ได้แก้ไขแข็งแรงทอกันกับฝังอยู่ในดิน สิภาษายัางแ h ่คนเท่าเห็นกันอยู่ผู้โบเห็นแแ ท, ท่กันย่งหูอปองโออนุโมทนาสาธุการท่านพรเป็นปัจจัยทั้งเหตุอยู่ในเขตมองนี่สินลำแห่งพ้าถ้ำแท่แล้วพ่อยกเสาเสร็จแล้วหอดแามือแลีงพวกงาโน่มกัน่งจากทำคำแต่ส่วนใหญ่กะขังอยู่เพื่อสิซอยงานมือนา แงมกลางคื่นหันหลวงปูฟันอาเจโลได้ลงไปทําวัดสวดมนต์พ่อเส็จเรียบรลอยก็มีโยมไปพักอยู่ในธรรมประมาณสี่คนพ่อเดือกเนจักหน่อยพวกโยมสามสี่คนก็ได้ยินเสียงคนนับเป็นรลอยเสียงปี่กันดังกองทาแต่ก็ฟังโบหูเรีองบบเห็นคนแต่เป็นเสียงคนจังได้ผ้ากันยันนอนก็นอนบ่หลับนี่แต่จับปุ่มฟังเสียงเงียบ มืออื่นเศร้ามากท่านหลวงปูข้นมาทังศ า, าล า, าก็เลยหักงวมว่านอนโยธรรมเป็นจังไดร่เนีย่ยง้มมือขืนหนีนางยานกันเบิดงขืนบอได้ยินบอพวกเทีเขาม่อุโมทนาสาธุการนำพวกงว้มสามสีคนได้แต่แนมหนากันหลังจากศ า, าลาล่งท้ำได้ถึกตั้งข้นแบบทาวอนแล้ว แล้วก็ได้มีการสร้างคุติทีพักของท่านหลวงปูฝันขึ้นใหม่พร้อมด้วยสะนำไ ย, ยอยู่หลังถ้ำคา ม, ามเพื่อเป็นที่เก็บนำฝนมาจนปัจจุบันนี้นี่ละน้อพันวาขั้นมีแห้งสัตท่าคำแม่นเห็ดหยังกะมีแห้งต่อหากม่นใจย่อท่อพอเห็นหม่องนอผุดโทบษบ่ไดโซค่วมเบา เ, าเอาแต่ข่ำหลวงปูวา พราะตอนบุญแมนยูนาบอมีลาผัดเมือยแห้งแร่งพระธรำมาช่วยได้ขนขวยขึ้น ง, ง่ายๆคนไหลายลเมนเป็นลอยมาย่อขึ้นกระบอไปขั้นผู้ใดอยากผู้ให้ไปเบิงอยู่ทำคมหากสิเห็นองค์พระประท่านเึ้ินอยู่เหิงหลายพ่อสอแลลวแถวบานข้ำคานันละทานพระประท่านตั้งอยู่ก่อน พะหลวงปูได้สั่งสอนฟังคำทอนสอนคำถรำให้พีนองทั้งลูกหลานหน่อยได้ใจ ต, ตามคุณแล้วก่อนสั่งศาลาโล่งถ้ำนั่นได้เกิดปัญหาเรื่องหนึง่งคือองค์พระประธานซึ่งเจ้าภาพจัดทรงไว้ที่บ้านถํำคาเหตุจังได้จังสีอันเสื่อเพิ่นขึ้นไปได้ถึงคำคำเพราะระยะเส้นท่างก็าายากไร ท่านหลวงปู่บอกกับญาติโยมว่าบอยากรอกให้ผ้ากันหลายคนหามขึ้นไปเลยไฟหนึงให้หามองค์พระประธานไฟหนึ่งให้ทางข้างขึนไปน้าผู้ทางข้างให้น้ำหนาหากแม่นหาตัดท่างอยู่นี่ก็อีกหามือหลวงปู่คือสิบอมีเวลานี่ก็ใกล้ครบรอบงานประจำปีของคณะสิทธิ์พระอาจารย์มันแล้วอยู่ที่วัดสุดทธาวาสเมืองสกลนคร เศร้าบานก็ได้พ้อมใจคือข่ำหลวงปูบอกในการยกพระประธานขืนนั่นเป็นอุปสรรคอย่างไหลเพราะกลุมทีตัดห้างทางห้า ง, างไปทางลาซาทาวา่าพระพุทธลูกกัยกง้อขืนญาตอีกเพราะเขาขืนนั่นก็เป็นทีที่สิบ่อคอยหลักเป็นเนื่นสูงสั้นเศร้าบานคุมแบกหจำจําเป็นต้องแซงสุดทางห้างไปก่อน เมื่อแส่งใดกะบุกต่อไปบ่ได้หยุดจนในที่สุดก็อันเซืรนองค์พระประทานขึ้นไปหอดทำขมกะสำเร็จบกีสุโมงแต่นาอัศจรรย์หลายทุกคนปลอดภัยเบิดทุกคนเม็นว่าสีหกลมต่ำก้อนหินก็สิบอมี่ฟกซำดำเขียวแม่แต่น้อยพระประทานประดิษฐานอยู่ทึ่งทำขมแบบสงา่าเป็นที่เข้าลบบูซาของพุทธบริษัททั้งหลายตลอดมาหอดมือนี่ พอผมเอ๋ยศิลธรรมเทียงมันฟุ้งขจรทัวทินขมินท้ำอันเลิศลำได้นั่มคำมันซอยสู้นี่ละคือบุญทรงอยู่ให้หลวงปู่มีเงาแสงได้สแสดงธรรมะทัท่วพื้นเมืองบานควมฟุ้งขจรไก่ในรถสินรรมหลวงปู่ันอาจารโลได้ขยายไปสู่สาธุสน้นท่างไก่และไก่ตลอดจนต่างศาสต์ต่างศาสนา ได้มาเพิงบาแล้มีถ้ำองค์ท่าทนหลวงปูฟันเพราะพุทธบมีการบแบงแ่ ง, บบงแยกส้นสันโบแบ่งแยกศาสนาเพราะมนุษย์ทุกคนกะเป็นคนมีความสำนึกคิดอย่างเดียวกันมีท้งความดีความสัวหาก โ, ก, โ ก, กรโกรธหลงกะมาะจากจิตถ้าจิตมีความพัฒนาโดยความบริสุทธิ์คือพุทธะแล้วทุกอย่างย่อมโปร่งใสบริสุทธิ์ เบืงกรภิกษุทั้งหลายหลายเถือที่เศ้าต่างศาสต์ต่างศาสนาที่สนใจในพระพุทธศาสนาอยากในรับพว่มสุขสงบเย็นสบายจิตสบายใจของพระอริยสงฆ์หลวงปูฝันอาจาโลหลังจากสมเด็จพยันาสังวรได้แนะนำให้เศ้าต่างศาสต์กราบนามัสการพระเดชพระคุณหลวงปูฝันอาจาโล เจ้ต่างศาสตร์ที่นับถือศาสนาพุทธหลายคนได้รับฟั่งพระธรรมอันบริสุทธิ์ที่เฮ็ดให้ซุ้มเย็นถึงจิตถึงใจของเจ้าต่างศาสตร์แต่ละคนแต่ละองค์ต่างอิ่มเอิอบเหลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของท่านโดยเพาะการปฏิบัติจิตภาวนาพุทโธผู้ที่ับฟั่งถึงกับเปลี่ยนศาสนาผู้ใส้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสัมมเน็ตผู้ยิ่งกามับวชเป็นซี กระถึงสิเป็นเศร้าต่างศาสตร์ต่างภาษาแบบเดกยาจิตของคนเฮาย่อมซื้อกันใดด้วยจิตซื้อจิตด้วยจิตดวงเดียวกันอำนาจ่้ำจิตของทานที่ท่านได้แสดงเป็นถ่ำไในหลายเถือเพื่อซื้อทํำให้ซื้อเข้าใจกับเศ้าต่างศาสตร์ได้รับฟังอำนาจประลาดอันเกิดจากกระแสเมตตาคุณกัลลุณาคุณผอพามค่วมสมร สอนรรมด้วยภาษาง่ายๆผู้รับฟังเอาเป็นประโยชน์แกชีวิตใดอย่างท่านที่ท่านใดคุ่นลักษณะพิเศษของรรมที่ท่านหลวงปู่ฝันอาจาโรได้แก่ผู้ฟังสิเกิดค่วมรูซื้อขึกับว่าท่านหลวงปู่กาวขอค่วมออกมาเพื่อตัวของเขาอย่างเจาะจงโบเมนกาวคุ้มสำหรับบคุคคลทัวไปเมนสิมีผู้รวมฟังประซุ่มยูนับเป็นลอยลอยกตาม แม่นปัดใจต่างๆหัางเบิดที่เวาแล้วพระเดชพระคุณหลวงปูฝันอาจาโลวัดป่าอุดมสมพรซึ่งอุดมสมพรซึ่งตนไม่ออกดอกออกผลใบเขียวสะอุมคือกับเป็นแบบนั้นตลอดการ ซิเนิยวยกใสเก่าวายถึงองค์พ่อในหลวงพวงประซ่าได้มีสุขและอยู่เย็นส้มซืน่นอีกทั้งควมหลาบลือนทรงไปถึงย่งท้อว่าละทยอันล่นเก่าให้ขวัญมันอายุเยืนด้วยเก่าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานส้มล่มพุทธอาจารโโลเจ้าฟ้ามหากษัตย์ถ้ำอันส้งคุณคา ที่มีต่อพุทธบริษัททั้งระดับสามัญซนพร้อมกับเศร้าต่างศาต์ต่างศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมมราชินีนาพร้อมทุ่นกระมอมเจ้าฝ้ากระเสด็จพระราชษณ์ดำเนินมากราบนมัสการหลวงปูฝั่นอาจารโรที่วัดป่าอุดมสมพรในข้าวเสด็จพระราชทานพากรินส่วนพระองค์ ครั้งแรกปีพ่อส่อสอง่านหาอยสิบหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้มีพระทัยอันเต็มไปด้วยค่วมหักค่วมห่วงใยที่มีต่อพระศพนิกอรของพระองค์ได้ส่งถามท่านหลวงปู่ฝันว่าเฮ็ดแบบใดประเทศศาสตร์ภาษาซนซิยูดีกินดีมีคววมสามะขี้ปองดองกันท่านหลวงปู่ฝันอาจจะโลได้ถวายค่วมเบาว่า ให้เขาหาพระศาสนาเพราะศาสนาสอนให้ค้นละสัวกระถ่คมข่วมดีทำใจให้พองใส่ค้นส่วนมากท้ำค่วมดีคนส่วนหน่อยท้ำค่วมสัวซี่ไห้ค้นส่วนมากเดือดห่อนบอ่เห็ดจังใดจังสีแก่ได้ขอถวายพระพรถูกมือนีคนเฮาโบหูศาสนาจังเบียดเบียนกันถามีนคนเฮาเนึกถึงศาสนาแล้ว กระโ บ, บเบียดเบียนกันมีแต่ ต, ต้องการค่วมสุกข่ขวมจเจริญข้อนอื่นกระคือกันทุกมื่อนี่คนเข้าใจว่าศาสนาอยู่กับวัดอยู่ไต่ตู่ในหีบในใบล้านอยู่กับพระพุทธเจา้าประเทศอินเดียพุ่นละถ้าคนเท่าถือกันเป็นบิดามานดาเป็นพีนองแล้ยวกาศิสบายไปมาหาสูกันใดเพราะใจเฮ้าบ่มีเวน้น เว่นกับบ่มีในใจเห้าม i n กกำกำบ่มี h o u s i n นี่ละให้มีพ่อมิหารธรรมย่างหันหลวงปูฝันอาจารโล่้เว้าออกมาอยู่ต่อมาในปีเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมา่าซินีนาและทุนกัมอมสมเด็จเจ้าฝ่ายหญิงทั้งสองพระองค์สเสด็จเขานมัสการหลวงปูฝันอาจาโล่ สมเด็จพระบรมมาราชินีนาะส่งพระร า, าพพติสันหารกับหลวงปูฝันเรื่องรักการภาวนาวา่าดิสันสนใจภาวนาแล้วแต่เมื่อนังจิตบอสงบหลวงปูฝันกระตอดพันวาบอวาสีนังสีนอนสิยืนสิยางเฮ็ดได้เฮ็ดนิยังก็ให้่หูอยู่ตลอดหลวงปูฝันถวายพระพรหลวงปูฝันอาจารโน ได้เดินทางเขาเมืองหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาชินีนาพร้อมด้วยทุ่นกระหม่อมสมเด็จเจา้าฟ้าหญิงได้สเสด็จพระราชดําเนินไปที่วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงถามว่าคนทุกเมื่อนี่เข้าใจว่าตายแล้วบ่ได้เกิด หากคนตายแล้วเกิดเป็นยังคนจังเกิดมาหากสัตว์เดรัจฉานเขาพัฒนาตนเองสิเกิดเป็นคนบอท่านหลวงกูฝันก็ได้ตอบเรื่องของพวกนี้เกี่ยวกับจิตใจใจคนนี่หลายในโตเป็นคนใจเป็นสัตว์โตเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตโตเป็นคนใจเป็นนรกโตเป็นคนใจเป็นคน หรือเทวดาเป็นพมเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจา้เนเจานี่กามาจากคนทางนั่นสิหูจังไนให้นางหิจะะหารณาเบงขั้นใจโบยูคิดอันนั่นอันนี้นี่แหละมันไปต่อพพต่อศาสที่ว่าเกิดคาตายไปเกิดตามบุญตามบาปที่เหตุวัเป็นเปรตขือใจนี่โมโหโทโสฤิษยาพยาบาทใจนรกขื่อใจทุกข พร้อมกับกุ่มอกกุ่มใจใจเป็นมนุษย์ขือใจมีสินหามีท่านมีภาวนาใจเป็นเศรษฐีเท่าพญามหากษัตริย์คือใจดีเป็นเทวดาที่มีเทวธรรมมีฮิลิข่วมละอายต่อบาปโอตัปปะค่วมเกียงขัวต่อบาปใจเป็นพุ่มมีพุ่มวิหารธรรมใจว่างคือล่มใจเป็นอรหัน์ คือท่านพิจารณาความว่างนั่นจนหูเท่าเล้วกปลปอยเหลือเตหูใจพระพุทธเจา้าหูแจ้งเห็นตลอดเวัุกอยางนี่คือข้าของหลวงปู่ฝันอาจาโอไดถวายค่วมเบากับสมเด็จพระบรมมหาราชินีนาะตอนเข้าไปกรุงเทพมหานครจากนั่นแล้วท่านหลวงปู่ฝันอาจาโอ ได้รับพ่วมสัทธาจากองค์พระปมกและลาดสตตกูลเป็นยางสูงเป็นได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรมาชินีนาถได้สเสด็จพระราช ด, ดำเนินไปย่างวัดปาอุดมสมพ่อนหลเทือเมื่อหลวงปูฝันอาจารย์โลเขาไปในกรุงเทพก็ส่งโปรดให้อรัตนนาเขาเสดงจเาม่พระราชถาน บา ง, บางเถ้อก็ได้เฝ้าสนทนากับท่านพระอาจารย์ของพระองค์จนเด็กวลาท่านหลวงปู่ศิลูกพระวาวพนนังดนลูกขืนบ่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดสเสด็จเข่าส่งซอยพยุงท่านหลวงปู่ด้วยพระองค์เองวันที่เก่าพฤศจิกายนสองหาหนึ่งเก่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา ได้เสดพระดสดำเนืน่นส่งทอดผากระถิญยู่ที่วัดปลาอุดมสมพรซึ่งท่านจำพัฒษาอยู่และได้ส่งนิมนทร์ท่านเข้าไปพักที่วัดบวบวันนิเวศวิหารวันที่ยีสบสองเดือนเดียวกันตอนที่พักอยู่ในวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาได้เสด็จเยี่ยมท่านหลวงครูบริขาด พร้อมเสด็จนมัสการที่วัดปาอุดมสมพรเป็นส่วนพระองค์พี่น้องเอ้อยปีศูนย์หานันได้กลับมาทาั้งบ้านเกิดบ้านกำเนิดอยู่หลบบะท้องนันอยู่ฝั่งอุน่น ทา้งมงไทยกับยูพุลนี่ลดผ่านไปมากหน้าหัวสั่งท่า น, น้า่ทินเดิมตระกูลเขาท่านหลวงปู่เน่าฝังเน่นหวัดป่าอุดมสมพ่อท่านไปมากให้กาบแน่เสิ้นพ่อเมพีนองไปไหวใดขู่สุญม่มแทแล้วท่านหลวงปู่ฝันอาจารโลหลวงปู่เป็นพระปฏิบัติธรรมเป็นนักพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์มีสติปัญญาอันเลิศดำ มีคว่ำลู่ควงขวงออกพันษาปีพ่อสอสองพันหาลอยหาหัานหลวงปูเดีลงมาผักยวัดปลาอุดมสมพรเพื่อสีใดสั่งสอนอบร่อมเศ้าบานที่ม้าร่วมลำฟังโดยเฉพาะบ้านบะฮ่องเนตหน้าหัวสร้างน้องทุ่มหนองไหวพันหน้านิ่คมและบ้านอื่นๆหลวงปูอยู่วัดอุดมสมพรจนหอดว่าละสุดไทย ท่านได้ดำเนินการบุรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างเป็นการใหญ่ตลอดการก่อสร้างให้ในวัดมากมา้เพือศาลาปรสาชสามคาีเป็นศาลาการประเลียนพิมีขนาดใหญ่ยกขึ้นสองสันเป็นศาลาโล่งถ้ำทีโปร่งอากาศดีศาลาสันเพิ่งได้จัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์เย็นสําหรับพระภิกษุเมสีอุบาสกอุบาสิกา ที่มารวมกฏิบัตธรรมโดยเฉพาะศาลาลงธรรมองนี้ในปัจจุบันเมื่อหอดวันครบรอบแสดงมุทิตาจิตวั้นไขวันมรณาาพของท่านหลวงปู่ฝันอาจาโลในวันขึ้นสิบหาคมเดือนมีของทุกปีสิทธยานุสิทธ์พร้อมกับอุบาศกอุบาสิกาอยาดย่วมทั้งไก่และไก่และตลอดทั้งลูกหลานเล้นหลอน ของท่านหลวงปู่กระไดมาถําบุญกันเบดสุขสูขสขุสุคนสาลาลงท้ำเฮียงนี่อันเกิดจากความรวมใหม่ร ว, วมเมื่อรวมแรีงสรรท่าห่างปัจจุปใจห่างไกลและไกลและบ้านที่เปลี่ยนตนรักพักไงก็คือบ้านบะท่องกับบานน้านแม่หัวสังและบา้านพันหน้านิคมถ้าหากท่านได้ไปถ้ำบุญวันปลาอุดมสมพรแล้วให้ในสาราสันทึง กสิเห็นรูปองค์พระประธานองค์ขนาดใหญ่ตั้งสง่าอยู่ทา้งทิศตะวันตกหันหน้าไปทา้งทิศตะวันออกใก ล, ล้รอบยังมีรูปเหมือนท่านพระอาจารย์เซอการตะซีโลและท่านพระอาจารย์มันพุริทัตโตและที่สําคัญห้างด้านหนา้ายังมีหุ่นรูปเหมือนจรงิงขององค์ท่านหลวงปู่ฝันอาจารย์โลประดิษฐานอยู่ในทานางสมาธิอยู่คือกันกับท่านยังโมเบิดอายุ ยังอยู่คููเราลูกศิษยานุศิษย์และเราลูกหลานได้กาบวายสืบต่อไป คุณขององค์พ่อเจ้าหลวงปูเฮ้าอยู่ทินกําเนิดเปิดประตูซูมือให้พี่น้องในกาบวอนคือวัดป่าอุดมสมพร น, นั่นแหละเจ้าเป็นวัดเก่ามาหลายปีท่านหลวงปูสร้างขวอมดีผัดมันหนี้หลายดานันท่างตึกสงเพิ่นกระสังท่างสะกนโล่งบานใหญ่หลวงปูฝันนันได้ส้างเอาไว้เพื่อรักษาท่างพันหน้ากะมีพรอมคือโล่งบานของหลวงปู อยู่เขตกลางห้างไปวัดนันพระคุณทานหากสิเห็นเดอ้อปีพศ2007ท่านหลวงปู่ฝันอาจาโล่พร้อมด้วยเราอยาดโยมในผ้ากันสางโบสถ์กลางน้ำน้องแวง้งเป็นโบสถ์ที่ง่ามแฉ่ยางธรรมัสสัตบรรพระาพระภิกษุในวละถึงข้าวบวชที่ได้มามอบใจถวายตแห่งลมกาสวัส์ อันเหมาะสำหรั บ, รบผู้มีบุญญาวาสนาในการข้องเทปบรรพเิตดำเนินชีวิตสมถสะสลระซึ่งขอบขั้วบานที่อยู่และไ ก, กลๆริมฝั่งสะน่ำน้องแวงยังมีกุฏิหลังไงที่ได้ปลูกสร้างไว้สำหรับเป็นทีพักรับรองสมัยทันหลวงปู่ฝันอาจาโรยังอยู่เป็นกุฏิส่งผู้ให้โบรานขนาดใหญ่ตั้งสงาอีกยงยงไปทางทิศเหนือ ยังมีเจดีย์กหลังค่าขนาดกลางหาองค์บริเวณหลอบหลอบภายในป่าของวัดป่าอุดมสมพรยังมีกุฏิหลังไงหลายหลังมีไว้สำหรับเป็นทีรับ่องพระเทลานุเทลที่เดินทางมาพำนักอยู่บริเวณภายนอกวัดยังมีสำนักแม่ซี่ับร่องหยาบยมผู้ ม, มาไฟ ลบให้สังคมมาหลับรลดแห่งธรรมศาสตร์อัน ง, งดงามในการปฏิบัติกมมรรมฐานพัฒนาทางด้านจิตใจปีพศ2 5 1 9ซึ่งจากการร่วมแรีงสัทา่าบริจาคคุนห้ามการจัดสัง่งท่านหลวงปู่ฟันอาจารโลได้ปลูกสร้างตึกสงอาพาธพิเศษ โรงพยาบาลในสกลนครเพื่ อ, อ, อ, อรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่เจ็บไข่ได้ป่วยที่สําคัญซึ่งเป็นแหล่งแห่งการอํานวยการรักษาพยาบาลเป็นสําคัญยิ่งคือท่านหลวงปู่ฝันอาจารโล่ท่านได้ส้างโรงพยาบาลขึ้นอีกเป็นโลงพยาบาลใหญ่ในพศ25สอยเป็นโรงพยาบาลที่มีเตียงคนไข่สาสบเตียงในครั้งแรก โดยการอํานวยการสร้างจากกําลังผู้คนที่ได้รัท่าโตองค์ท่านหลวงปู่บางมือก็มีคนมารวมสร้างรวมพัฒนาถึงสองพันคนคุ่มนาอัศจรรย์อีกอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์อันบังเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งในโรงพยาบาลหลวงปู่ฟันอาจารย์โลใส่เวลาสางบดลแค่เกาสิบมือก็คือสามเดือนเท่านั้นแล้วก็ให้ตังซื้อว่า โลงพยาบาลพระอาจารย์ฟันอาจารย์โล่โลงพยาบา ล, แ, ลาแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพาลัดลาศุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิลินท่อนนัตสีมาคุณาก่อนปิยสัตว์สยามบ ร, รมราชกุมารีเพิ่พมสมเด็จพระเจ้าลูกเขยเจา้าฟ้าหญิงทรงสเสด็จพระราชดําเนิน เปิดโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟันอาจารโรภาพแพ่งความอิมเอิบใจของประส่าส้นที่ม่าล่อรับเสด็จแต่ละค้นก็มีล้อยยิมที่แสดงถึงความจงรักภักดีสายท้าล่าแห่งน้ำตาของปะซาส้นได้รั่งไหลออกมาจากตาเป็นน้ำตาแห่งความจงรักภักดีอันหล่นเหลือต่อพระมหากริยัผู้ทรงห ร, รม อนิจจังวัตสังขาราตังสังขานนอหากโบเทียงหลวงปูเฮาเอ้ยคือโบตังเทียงหมันเสมอดามดังนิพันคือคววมตายบเหลือกสันวันณะและศักดิ์ศรีแมนสิจนหรือมีกะเ่าตายกันใดถึงสีมีเงื่อนลานเงื่อนแสนเงื่อนหมื่นเอามาจับใจสื่อตายไวกะบ่อฟังคววมลำบากตากต่าอันเกิดจากค่วมเมตตากรุณา กับการพัฒนาด่านวัตถุเพื่อใส่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนได้ทรงผลให้ท่านหลวงปูฝันอาจาโลเกิดการป่วยเวลา1ิสิเก่านาฬิกาหาสินาทีตรงกับวันอังคารที่สมกราคมพศ2521ท่านหลวงปูฝันอาจาโลท่านได้ละสังขารมรณภาพในอาการสงบนิ่งท่านหลวงปูอายุ76ปี เลือนล่างอันไรเป็นญยญานของหันหลวงปูเป็นภาพสะท้อนจิตสะท้อนใจของซิด ท, ที่นางบึงอาการของหันหลวงปูตอนนั้นเป็นการบอกว่าอีกโมน่นหนอเลื่อนล่างขอ ง, งสิงมีซีเวตทุกอย่างกะสิต้องจบลงโวยความตายคือมรณะไพ่ม่เยือนแข่แน่นอนงามอยู่ดีมีแห้งคือสิ่งเดียวที่ยั่งคงรักษาไว้ก็คือคุณงามค่วมดี เกิดเป็นคนเอาค่วมดีเป็นแกนกลางห้างซีวิตเอาค่วมคิดเป็นเครื่องซอยอ่ำนุ่ยผลเอาแห้งไก่เป็นกลไก่ไา่ในตนนี่คือข้นเกิดมานี่คุ้นขาล่าค่างามเข้าการมรณาภาพของหลวงปู่ฝันอาจารย์โลกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้ค้นต่างหันหนาม้าวัดปลาอุดมสมพนปราชส้นได้เริ่อมลังไหลเขาม้าในบริเวณวัดอย่างเนื่ยงน่องหลายตัวหลายข้น ต่างเบิงหนากันด้วยอาการเศามองคือกันกับว่าได้สูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปอีกสิ่งหนึง่งเนื่อเบิงตนใหม่ก็คือจังเหยวแห่งไหลยอยู่บริเวณวัดของหลวงปู่วันพุทธจีหาเดือนมกราคมพศสองพันหาอยอยส เ, เ, เ, เ, เวลาสิบหกนาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชสถานนำสงศพโสภ่งพระพุทธลุนาโอดเก่าพระราชสถานหินห้องถือประกอบศพเป็นเพียนประเทียบเท่าราชานาพระราชสถาน่าไต่ข้ามซุ้มกำโซปแล้วสรงบำเพ็ญด่านสุสุนพระราชทถานพาไต้ถวายพระสงฆ์บางสงุน และพระราชท่านพระบอมงล่านซ่านุปบมีสวดพระอภิธรรมกับนดเขื่นด้านบนสาลาการเปรี่ยนต่างหนี้ประซ่าสนกำลังร่วมสงนํำศบเป็นคางแรลกของเมืองไทยบ่าวากรณืศพของบ่งข้นผู้ใดก็ตามแต่ถ้าพระมหากษัตริย์พระราชท่านอาบนํำสบเดวสิบมีการนดนำสศเย็บแต่กรณื่ของหลวงองุ่นอาจารโ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระลุ้น่าโปรดเก้าถวายไพ่พระเศษรับสั่งด้วยพระองค์เอียงมาขออย่ได้หามพระท่าส้นสงนำศพท่านพระอาจารย์จงให้เขาได้สงนํากันต่อไปตามศรัทธาภายในหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพาลัดสว่งสานุวงเสด็จสงนำศพท่านพระอาจารย์ฟันอาจาโรเ็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีภาคกระแสตัดถึงพระุกนิก่อนของพระองค์อีกว่าในฐานะที่เห่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ขอให้ทุกคนได้สามัคคีกันอย่าให้แตกความสามัคคีกันและขอให้ยึดมั่นในขํ้สอนของท่านไว้มัน่นคงขอให้เก็บอั ธ, ธิของท่านพระอาจารย์ไว้แห้งเดียววันที่ยีิเ็มกราคมพศสองันหารอยยสิเ็ ในตอนเศร้าปรสาชส้นจากหมู่บ้านต่างๆทัง้ ง, ง, งไกลและไกลพร้อมใจกันไปทํำบุญตักบาทพระภิกษุสัมมเนนที่มาจากทุกสารทิศซึ่งมีจำนวนหลายกว่าสองพันลูกปรสาชส้นต่างมีหน้นาตาเบิกบานแจม่มใสทันที่เมื่อได้ถ้ำบุญพร้อมกับการรับฟังธรรมเหสนาอันยังถึงจิตถึงใจยงางทัวถึงกันพระเทรานุเทลสันภูไง ที่ได้เดินห้างเมื่รวมงานพระราชทานเพิ่งศพพระอาจารย์ฟันอาจาโลเดแกะสมเด็จพระอารียวงสาคาตญ า, านสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดบวร น, นิเวศวิหารพระมหาวีรวงสมเด็จพระยาณ น, นาสังวอวัดบวร น, นิเวศวิหารสมเด็จพระมหาวีรวงวัดลาดสภาติกาลา่มพระเทพววาร่างการวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลย พระเทพเมธ่าจาันยร์วัดโพธิสมพรจังหวัดอูดอนทานีพระศรีธรรมวงศงสาจารย์วัดสุทธจินดาจังหวัดนครราช ส, สีมาพระรัตนาก่อนวิสุทธ์หลวงปูดุลอตุโลจังหวัดสุรินทร์ีิ่นตนยังมีพระเทลานุเทละสหธรรมิกองสำคัญสำคัญศิษย์ใ ต, ต่กลนกุติของท่านพระอาจารย์มันผู้ิทตโต ที่เคยทุดงเคีื่องบาเครืงไรกับองค์ท่านหลวงปู่ฝันอาจารย์โล่ได้มารวมบําเพ็ญกุศลพระราชทานเครงศพของหลวงปู่ได้แก่พระราชนิโรธลั่งสีข่มพี่ลปัญญาจานทร์หลวงปู่เทศเทศลั่งสีวัดหินหมากเป่งจังหวัดนองไข่หลวงปู่บุญมาธิตตะท่าโมวัดศิลิซาละวันอุดรธานี หลวงปู่อ่อนย่านสิริวัดปานิโคูท่าล่ามอุดรธานีพระรัชกรวิสุทธ์วัดบุรพาล่ามสุรินทร์พระอาจารย์ซาม่าอัจจุตโตจังหวัดเลยพระอาจารย์สิมพุทธท่าจาโรุวัดผำหาปองจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์มหาบัวย่านนสัมปันโนวัดป้าบาันตาดจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์สามอภิญจนโนวัดไตวิเวกจังหวัดสุรินทร์ พระคู่วีโรดวัดพระธาตุเขาหน่อยจังหวัดลาดบุรีพระอาจารย์วัลอุตตโมวัดธรรมอภัยดำรงถ้ำจังหวัดสกลนครพระอาจารย์จวนกุละเสถโธวัดเจติยาคิริวิหารผู้ถอกจังหวัดน้องไข่พระอาจารย์สิงห้องวอลารมโมวัดปลาแก้วสุมพลจังหวัดสกลนครพระอาจารย์แบนทนาการุวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร พระอาริยเวทีวัดปานั่งสีปริวันกาลสินพระอาจารย์สมไสทิตตะวิลิโยวัดเขาสุขิมจังหวัดจันทบุรีเป็นตน้นเสาวันที่ยีสอมกราคมพศสองพันหาอยยีสเอเวลาสิบนานิกาพระสงฆ์สิบลูกได้บังสกุลเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อัญเชิญศพหลวงปูฝันอาจารโล ลงจากซาลาล่องรรำเสินศพจากซาลาล่องร้ำไปเวียนเมลูอันเสินขึ้นตั้งบนจิตกาฐานเวลาสิบสนาฬิกาสสบห้าทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมารดาสี น, นาและสมเด็จพระเทพพระลักษมณ์ราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร์ ได้เสด็จถึงวัดปลาอุดมสมพ่อนปกติลดนุ่นพัทีนั่งสิเข่าเทียบย่งพับผ้าทีประทับซึ่งจัดถวายใบคางเมลุแล้วทั้งสามพระองค์ให้ยุทธลดลงตรงปากท่างเข่าด้านหนาเมลุแล้วเสด็จโดยปาสจักราดพระบาทไปตามท่างเข่าเพื่อให้ประซาซนที่แน่นขณัดอยูสองขางท่างได้เฝารับเสด็จยางไก่ซิด นับเป็นพระมหากรุณาที่ขุนยางล่นพนทั้งสามพระองค์ได้เสด็จขึ้นซูเมลุสรงทอดผาไตพระสงฆ์สิบลูปบังสกุลพระราชทานเพิ่งภาพแห่งพระมหากษัตริย์ที่ปฏิบัติต่อพระอริยสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์ได้ปฏิบัติต่อกันเป็นครั้งสุดท้ายคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงลดพระองค์ลง กับศพพระอาจารย์ฟันอาจารโรบนพระสุนีปูราตที่พื้นสนามหยาจิตกาฐานเป็นภาพที่ประทับใจประซ่าส้นที่เฝ้าอยู่นับแสนตั้งกะสั ม, มึกโดยทั่วกันว่ามีโอกาสพบเห็นได้งากยิ่งเวลาสิบเป็ดนาฬิกาในว่าละการเผาจริงพระเดชพระคุณหลวงตาพระมหาบัวยั น, นสัมปโนแห่งวัดป่าบานตาด เป็นดังภาพแหง่งสร้างเครือคููงามที่มาปฏิบัติต่อกันเป็นครั้งสุดท้ายดังสมัยพระภิกษุครั้งพุทธกาลเป็นภาพแห่งค่ามเปลี่ยนมงคลนยิงสำหรับผู้พบเห็นและตลอดทั้งคืนมีพระเทลานุเทละทุกลูปและพระเน้นพรอมด้วยผู้ค้นทัวบริเวณต่างผ้ากันมานนางเฝ้ากองเพิงนาจิตกาทันตลอดทั้งคืนจนสอดแจง้ง พี่นองเอ้ยคือจังฝ่าพาเปียงลงสูนอกอกางใจเมนไพไพรกะหวนคิดเราโบลืมจนเดียวนี่ย่องมีดีไว่พร้อมเจดีตั้งอยู่คืออั ธ, ธิหลวงปูเฮาโพนีให้ท่านไหวคันทานไปพิพิธพันธ์หลวงปูตั้งไว้อยู่หน่าวัดบม่มีไก่เมนไพร์ไพรกะเนียมเห็นหาก่านไปทา้งนั้น เซนพันหน้าบะท่องนั่นท่างไปเจดีของหลวงปูมองวัดเพนยูอุ ด, ดมสมพรนวัดปานันไผไปหั่นหักซุมเย็นแท้แล้ว ตาเตพระเทละภูเจรลิญหลวงปูฝันอาจารโล่โดยค่วมเปลี่ยนไปไดนลวงเกินประการใดได้ถึงฮับแล้วซึ่งคาพระเจ้าทั้งหลายส้มล้มพุทธาอาจารโล่ผู้เป็ี่นข้นผ่านผู้เป็นคนหลงเป็นคนบอสลาดด้วยประการใดจําเดิมแต่เกิดมาอาศัยค่วมประมาทโดยอุบายบาเยียบยนได้กระทําควา่วม โบเป็นเข้าลบในทันหลวงปูผู้เปี่ยนพระมหาเทละที่ส่งไวแล้วซึ่งพระคุณอันนาเข้ารบสักกาละยิ่งด้วยกายกรดีด้วยวาจากรดีด้วยจิตใจกรดีด้วยตนากรดีรับหลังกรดีและระลึกไ ด, ด้กรดีระลึกบ่ได้กรดีขอหลวงปูได้เมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งโทษ ที่ได้ลวงเกินนั่นของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายสี่สำร่วมระว่างต่อไปและเพื่อค่วมจะเลื่อนลุงเรื่องในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลน่านเพินสาธุสาธุสาธุ